วันนี้เป็นวันจันท ร, ร์ที่11ธันวาคมพุทธศักราช2560เป็นวันหยุดชดเชยวันรัฐธรรมนูญที่ตรงกับวันอาทิตย์ที่10ธันวาคมที่ผ่านมาทางราชการ โดยได้กาหนดให้วันนี้เป็นวันหยุดชดเชยหนึ่งวันสาหรับชาวพุทธเราเราก็ถือว่าเป็นวันกําไลบุญเพราะเป็นวันที่เราจะได้มาทำบุญกันเพราะถ้าไม่ได้หยุดวันนี้ถ้าเราต้องไปทำงานเราก็จะไม่ได้มาทำบุญ แต่วันนี้เราไม่ต้องไปทำงานเราเลยได้มาทำบุญจึงถือว่าเป็นการกำไรบุญบุญนี้เป็นสิ่งที่สำคัญต่อชีวิตจิตใจของพวกเราเพราะเป็นเหมือนเงินทองที่มีความจำเป็นต่อร่างกายของพวกเรา เราต้องมีเงินทองเพื่อซื้อปัจจัยสี่เช่นอาหารเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยอย่ารักษาโรคมาดูแลร่างกายของเราใจเราก็ต้องการปัจจัยสี่เพื่อมาดูแลใจของเราให้มีความสุข เหมือนกับร่างกายถ้าใจขาดบุญใจจะไม่มีความสุขจะมีแต่ความไม่สบายใจเหมือนกับเวลาที่ร่างกายขาดปัจจัยสี่ร่างกายก็จะไม่สบายจะร่างกายก็จะไม่สบายเป็นโรคภัยไข้เจ็บต่างๆได้ ดังนั้นเราควรมองบุญว่าเป็นเหมือนปัจจัยสี่ของใจเป็นเหมือนเงินทองของใจถ้าใจมีบุญใจก็จะมีความสุขมีความสบายเหมือนกับถ้าร่างกายมีเงินทองร่างกายก็จะมีความสุขความสบายไม่อดอยากขาดแคลน ไม่ทุกยากลำบากบุญนี้เป็นปัจจัยสี่เงินเงินทองของใจที่เราควรที่จะหามาให้กับใจให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ได้ยิ่งมากได้เท่าไหร่ยิ่งดีเพราะดีกว่าเงินทองของร่างกายเงินทองของร่างกาย ถ้ามีมากเกินที่ร่างกายจะรับได้มันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรมันมีขอบเขตร่างกายถ้ามีปัจจัยสี่พอเพียงแล้วจะมีมากกว่า น, นั้นไปอีกสิบเท่าร้อยเท่าก็ไม่ได้ทำให้ประโยชน์ได้เพิ่มขึ้นสิบเท่าร้อยเท่าตามไปเพราะร่างกายไม่สามารถรับประโยชน์จากปัจจัยสี่ที่เกินกว่า ควมสามารถของร่างกายที่จะรับได้ดังนั้นเราควรที่จะเอาเงินทองที่มีมากเกินไปสำหรับร่างกายนี้มาเปลี่ยนเป็นบุญให้กับใจจะดีกว่าเพื่อใจจะได้มีเงินทองเหมือนกับร่างกายแล้วก็ใจจะได้เอาเงินทองนี้ติดตัวไปได้ด้วย เงินทองของใจคือบุญเงินทองที่เราเอามาทำบุญกั น, นจะเป็นเงินทองของจิตใจเป็นเงินทองที่จิตใจจะสามารถเอาไปเอาไปได้ถ้าเป็นเงินทองของร่างกายเวลาร่างกายตายไปก็จะไม่สามารถเอาเงินทองของร่างกายไปได้แต่ถ้าเอาเงินทองของร่างกายมาเปลี่ยน เป็นเงินทองของจิตใจคือบุญเอามาทำบุญก็จะกลายเป็นเงินทองของจิตใจไปใจก็จะไปอย่างร่ำรวยไปเป็นไปอย่างเศรษฐีไม่ได้ไปอย่างยาจกขอทานถ้าไม่ได้เอาเงินทองของร่างกายนี้มาเปลี่ยนให้เป็นเงินทองของจิตใจ จิตใจก็จะเป็นขอทานและเป็นยาจกเนอะเวลาที่เราทําบุญแล้วเราอุทิศส่วนบุญไปนี่ก็เป็นการส่งเงินทองของจิตใจคือบุญนี้ไปให้แก่ผู้ที่ล่วงละไปแล้วพอเราห่วงเขากลัวว่าเขาอาจจะเป็นขอทานอยู่เขาอาจจะไม่ได้มีบุญติดตัวไปน แต่ถ้าเราได้ทำบุญอย่างต่อเนื่องทุกครั้งที่เรามีเงินทองของร่างกายมากเกินไปไม่จำเป็นที่จะต้องเก็บเอาไว้เราก็เอาไปทำบุญกันแล้วมันก็จะทำให้เราเป็นเศรษฐีบุญเวลาเราไปเราจะไม่ต้องมาเป็นขอทานมารอรับส่วนบุญของญาติพี่น้องที่ยังไม่ตาย แต่ถ้าเขาส่งไปเราก็จะอนุโมทนาเพราะเงินบุญที่เขาส่งไปให้เหล่านี้มันน้อยมากเมื่อเปรียบ ก, กับบุญที่เราได้ทาไว้นี่คือตัวอย่างของบุญที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ชาวพุทธเรามาทํากันให้มากและการทําบุญนี้ก็มีหลากหลายวิธีด้วยกัน ไม่ใช่แต่จะพาะเอาเงินทองไปทำเพียงอย่างเดียวยังมีวิธีสร้างบุญขึ้นมาอีกเก้าวิธีด้วยการรวมกันทั้งหมดสิบวิธีเรียกว่าบุญญกิริยาวัตถุสิบนี่คือบุญในของพระพุทธศาสนาถ้าอยากจะต้องการความสุขความจเจริญขอให้ทำบุญสิบประการ น, นี้ แล้วจะได้นับประโยชน์อย่างแท้จริงอย่าไปทาบุญ น, นอกคำสอนของพระพุทธเจ้าเพราะมันจะไม่ได้บุญหรืออาจจะได้โทษก็ได้เช่นเวลาที่เราเอาของไปเส้นไปไหว้เจ้าไหว้ผีอันนี้ไม่ได้บุญเช่นเวลาถึงวันเฉ่งเมงวั น, วนครบบวันตายของพี่น้องชาวจีน ก็จะไปหาอาหารขา้ขาวหวานต่างๆไปไหว้ที่ศพไปไหว้ที่หลุมศพเอาไปทิ้งเอาไปตั้งไว้สักพักในแล้วก็เอากลับไปรับประทานกันอย่างนี้ไม่ได้บุญเลยคนตายก็ไม่ได้บุญคนกินก็ไม่ได้บุญคนกินก็ได้แต่อาหารข้าวหวานที่เอาไปเส้นเอาไปไหว้เท่านั้นเอง แต่ถ้าเอาอาหารขาวหวานนี้ไปทำบุญทาทานไปใส่บาทไปเลี้ยงพระไปเลี้ยงคนยากจนไปเลี้ยงเด็กพิการไปเลี้ยงผู้ที่เขาตกทุกข์ได้ยากเช่นเปิดโรงทานเวลามีงานเช่นวันถวายพระเพลิมนี้ก็มีสัทธาญาติโยมมาเล่าให้ฟังว่าไปเปิดโรงทานกันตามอย่างนี้แล้ว ก็จะได้บุญทั้งผู้ที่ทำและผู้ที่รับบุญคือผู้ที่ร่องรับไปแล้วเราสามารถอุทิศบุญนี้ไปให้กับเขาได้ดังนั้นถ้าอยากจะได้บุญถ้ามีอยากจะมีความมั่นใจว่าเหมือนกับเอางเงินไปฝากธนาคารแล้วจะไม่หายไปก็ให้ฝากธนาคารบุญของพระพุทธศาสนา อย่าไปฝากธนาคารบุญของผู้อื่นเพราะไม่แน่ใจว่าเขารับประกันเหมือนกับธนาคารบุญของพระพุทธศาสนาหรือไม่บุญที่พระพุทธเจ้าสอนให้ทำสิบประการนี้รับประกันว่าได้ร้อยเปอร์นต์จะไม่สูญหายไปไหนแล้วนอกจากจะไม่สูญหายแล้วยังจะได้ดอกเบี้ยอีกด้วยเวลากลับมาเกิดใหม่เป็นมนุษย์ใหม่ เงินทองที่เราทําบุญไปนั้นก็จะสมทบกับดอกเบี้ยจะทําให้เราได้มากกว่าเงินทองที่เราฝากไว้ในธนาคารอีกเพิ่มขึ้นอีกหลายเท่าเพราะกว่าที่เราจะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่นี้อาจจะต้องใช้เวลานานพอสมควรดังที่เคยได้ยินได้ฟังว่าการเกิดมาเป็นมนุษย์นี่ยาก ยากอย่างไรพระพุทธเจ้าทรงยกตัวอย่างว่าว่ายากแบบเก่าที่ตาบอดที่ทุกร้อยปีจะโผล่ขึ้นมาเหนือน้ําจะลอยขึ้นมาเหนือน้ําแล้วมาเจอบ่วงเล็กๆที่สวมพอดีกับคอของเต่าตัวนั้นคิดดูว่าน้อยปีมาโผล่ขึ้นมาสักครั้งแล้วโผล่มาเจอบ่วงเล็กๆขนาดคอของเต่า ที่จะสวมเข้าในคอเต่าได้เลยแล้วเต่านั้นก็เป็นเต่าตาบอดด้วยคิดดีูสิว่าโอกาสที่มันจะได้บ่วงนั้นเข้าไปคล้องคอเต่านั้นจะยากง่ายเพียงไรนั่นแหละคือวิธีการเกิดมันเป็นมนุษย์ของพวกเรานี้มันยากมันไม่ง่ายอย่างที่เราคิดกัน แล้วเงินทองที่เราทำไว้เก็บไว้ในธนาคารบุญมันก็ไม่หายไปไหนมันก็ยังอยู่มันก็มีดอกเบีย้ยเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆพอเรากลับมาเกิดได้เป็นมนุษย์เมื่อไหร่เงินทองลิที่เราได้ทำไว้มันจะมีมากกว่าเงินทองที่เราได้ฝากไว้เป็นหลายร้อยหลายพันเท่าเลยยกตัวอย่างดูพระเวชสันดอน ตอนที่ท่านเป็นพระเวชสันดรท่านก็ทำบุญอย่างมากมายแล้วพอท่านตายไปท่านก็ไปเกิดอยู่ในสวรรค์ก่อนว่าบุญของท่านที่ทำไว้ทำให้ท่านเป็นเศรษฐีบุญพวกเศรษฐีบุญก็คือพวกเทวดาก็ไปอยู่บนสวรรค์แล้วพอหมดบุญของเทวดาท่านก็มาเกิดเป็นเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะเลย ได้มาเป็นราชาโอรสของพระเจ้าแผ่นดินได้ทรัพย์สมบัติมากม า, กายไกลกว่างมากกว่าตอนที่เป็นพระเวชสันดร น, นี่คือตัวอย่างของบุญที่พระพุทธเจ้าในสมัยที่เป็นพระโพธิสัตว์คือพระเวชสันดรได้บำเพ็ญได้กว่าจะได้มาเกิดเป็นมนุษย์ก็แบบ เต่าตาบอดที่ทุกร้อยปีจะโผล่ขึ้นมาเหนือน้ำสักครั้งแล้วมามาพบกั บ, บวงคล้องคอพอดีคิดดูก็ว่าชยากง่ายขนาดไหนถึงจะได้มาเกิดเป็นมนุษย์แต่ละครั้งทุกร้อยปีเต่าตัวนี้ตาบอดโผล่ขึ้นมาเหนือน้ํามาเจอกั บ, บวงเข้าคล้องคอของตัวเองพอดีอนี่คือ เรื่องของบุญที่พระพุทธเจ้าทรงเห็นทรงรู้ว่าเป็นปัจจัยสี่อันสำคัญของชีวิตจิตใจของพวกเราจึงได้ค้นพบวิธีทาบุญสิบชนิดด้วยกันถ้าเราอยากจะทําบุญขอให้เราศึกษาบุญสิบชนิดนี้เถิดแล้วทําบุญสิบชนิดนี้ตามความสามารถตามความเหมาะสม ตามแต่ฐานะของเราแล้ว ร, รับรองได้ว่าเราจะได้บุญอย่างแน่นอนจะไม่สูญหายไปถ้าฝากเงินในธนาคารก็ธนาคารจะไม่มีวันล่มละลายธนาคารนี้เหมือนกับรัฐบาลเป็นประกันรับประกันเดี๋ยวนี้เงินฝากในธนาคารรัฐบาลก็ไม่รับประกันทั้งหมดการรับประกันแค่ล้านเดียว ถ้าเกิดธนาคารล้มไปฝากไปร้อยล้านก็ได้เพียงล้านเดียวกับมาแต่ธนาคารบุญของพระพุทธเจ้านี้ฝากเท่าไหร่จะได้มากกว่าที่ฝากไว้รับประกันดอกเบีย้ยด้วยดังนั้นขอให้เรามาศึกษาบุญสิบประการที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พวกเราทำกันถ้าเราอยากจะมีแต่ความสุขความเจริญ แก้ล่าปลอดภัยจากความทุกข์ยากลําบากต่างๆวันนี้ก็จะแบ่งไว้เป็นสองกลุ่มด้วยกันเหมือนกับอาหารอาหารนี้ก็มีทั้งอาหารหลักและอาหารเสริมอาหารหลักนี้เราต้องมีทุกวันต้องกินทุกมือ้อส่วนอาหารเสริมนี้ถ้ามีก็ดีไม่มีก็ไม่เป็นไรยังอยู่ได้ อาหารหลักคืออะไรที่เรากินกันก็ข้าวกับกับข้าวถ้ามีข้าวมีกับข้าวนี่เราก็อยู่ได้ละแต่ถ้าบางวันเรามีขนมด้วยมีผลไม้ด้วยมีอาหารเสริมชนิดอื่นด้วยที่เขาขายกันเยอะแยะไปหมดเดี๋ยวนี้เราก็กินเพิ่มก็ได้เพื่อให้ร่างกายมีพลังมากขึ้นมีกำลังมากขึ้น มีสุขภาพที่ดีขึ้นไปอันนี้ก็แล้วแต่ฐานะการเงินการทองคนบางคนยากจนก็เอาแต่อาหารหลักเอาข้าวกับกับข้าวบางทีข้าวแกงจานเดียวก็อยู่ได้แล้วข้าวชามหนึ่งแล้วก็ราดแกงหน่อยอันนี้ก็อยู่ได้แต่สำหรับคนมีเงินมีทองก็อาจจะมีอาหารหลากหลายชนิด มีอาหารเสริมชนิดต่างๆมาเสริมออันนี้ก็ตามแต่ฐานะการทําบุญเราก็ทําตามฐานะของเราตามเหตุการณ์แต่บุญที่เราควรจะทําเป็นประจําก็คือบุญหลักบุญหลักมีอะไรบ้างก็มีหนึ่งบุญที่เกิดจากการทําทานนี่มีเงินทองมากน้อยก็ขอให้แบ่งเอาไว้ไปทําทานบ้างเอร้อยละสิบก็ยังดี Yeah. ทุกคนมีเงินที่สามารถทำทานได้ถ้าตั้งใจจะทำจริงๆรนอกจากพวกขอทานเั่นั้นถึงจะไม่มีเงินที่จะทำทานได้แต่ถ้าไม่มีจริงๆก็เว้นได้ทำบุญอย่างอื่นแทนก็ได้เช่นไม่มีกับข้าวก็กินข้าวประภาไฟก็ได้บุญหลักนี้มีอยู่สี่สี่ห้าชนิดด้วยกัน ชนิดที่หนึ่งก็คือทานบุญที่เกิดจากการทำทานมีข้าวของเงินทองที่เราจะเสียสละแบ่งปันให้แก่ผู้ที่เขาขาดแคลนได้เราให้เขาแล้วเราจะเกิดความสุขใจอิ่มใจขึ้นมาเป็นบุญขึ้นมาเหมือนได้รับประทานอาหารดีกว่าเอาเงินไปซื้อยาเสพติดให้กับใจเอาเงินซื้อยาเสพติด อะไรคือยาเสพติดของใจก็สิ่งที่เราทำด้วยความอยากสิ่งที่เราทำเพราะโดยที่เราไม่จําเป็นจะต้องทำต้องซื้อเช่นของฟุ่มเฟือยต่างๆหรือความสุขทางตาหูจมูกมือกายไปเที่ยวไปกินไปดื่มอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นความสุขแบบยาเสพติดสุขเฉพาะเวลาที่ได้เสพ เวลาได้เที่ยวก็สุขเวลาได้ซื้อของที่อยากซื้อก็สุขแต่พอซื้อมาแล้วมันก็หมดไปความสุขนั้นก็หมดไปเป็นเหมือนควันไฟหายจางหายไปอย่างรวดเร็วแล้วก็ทำให้ติดนิดสัยจะต้องซื้ออยู่เรื่อยๆจะต้องเที่ยวอยู่เรื่อยๆแล้วก็จะไม่ได้อาหารไม่ได้เป็นบุญแก่จิตใจเวลาเห็นของที่ซื้อมาก็ไม่เกิดความรู้สึกอิ่มเอิบใจ เหมือนกับเวลาที่เราคิดถึงบุญที่เราได้ทำว่าเราได้ช่วยทำนู่นทำนี่ให้แก่วัดได้สร้างสิ่งนั้นสิ่งนี้ให้แก่วัดได้สนับสนุนพระสงฆ์องค์เจ้าด้วยการทำบุญใส่บาตรพอเราคิดถึงบุญที่เราเคยทำาบุญนั้นก็ยังอยู่กับใจเรายังทำให้เรามีความสุขใจอิ่มใจเป็นอาหารทำให้เราอิ่มใจสุขใจ แต่เงินที่เราใช้ไปตามความอยากนี่มันเป็นเหมือนอยาเสพติดสุขเดี๋ยวเดียวสุขตอนที่ได้เสพแล้วก็ติดอยากจะเสพอยู่เรื่อยๆ เ, เวลาอยากก็เกิดความทุกข์ทรมานใจขึ้นมาถ้าไม่ได้เสพนี่ครังนั้นอย่าเอาเงินไปซื้ อ, อยาเสพติดให้กับใจให้ซื้ออาหารซื้อบุญการไปซื้อของไปเที่ยวพราาวะพุทธเจ้าจึงไม่ได้บอกว่าเป็นบุญ บางคนอาจจะคิดว่าเป็นการทําบุญให้กับตัวเองมันไม่ได้เป็นบุญมันเป็นยาเสพติดะคนเขาก็บอกว่าเขาไปเที่ยวแล้วเขามีความสุขใช้อยู่แต่มันเป็นความสุขปลอมเป็นความสุขชั่วขณะที่ไปเที่ยวเท่านั้นเองแล้วพอกลับมาบ้านมันก็หายไปหมดแล้วก็เกิดความหิวความอยากที่จะไปเที่ยวใหม่ถ้าไม่ได้เที่ยวก็กลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาอันนี้เป็นยาเสพติดะ เอาเงินทองไปซื้ อ, อยาเสพติดมนาะให้กับใจใจก็ติดติดเที่ยวติดซื้อของฟุ่มเฟือยอยู่กับบ้านไม่เป็นสุขอยู่กับบ้านก็หงุดหงิดนำคาญใจต้องออกไปเที่ยวไปซื้อข้าวซื้อของมาถึงจะมีความสุขดังนั้นให้เอาเงินทองนี้ไปทําบุญทําทานแทนถ้าอยากจะซื้อของก็ซื้อได้แต่ซื้อแล้วอย่าให้กับตัวเองเอาไปให้ผู้อื่นะ แเราชอบกระเป๋าใบนี้ซื้อไปให้คุณพ่อคุณแม่อให้เพื่อนอให้ใครก็ได้ถ้าอย่างนี้ก็ยังได้บุญอยู่แล้วเราก็ได้ซื้อกระเป๋าตามความอยากของเราด้วยเพงแต่ว่าอย่าซื้อให้กับตัวเราเพราะมันจะกลายเป็นยาเสพติดไปถ้าซื้อให้กับคุณไม่เป็นยาเสพติดรับประกันได้แล้วเราจะมีคนรักเราชอบเรามากซื้อให้เราไม่มีใครรักเราไม่มีใครชอบเราะ แซื้อให้คนอื่นนี่รับรองได้มีคนเขาคิดถึงเราตลอด24ชั่วโมงจะเป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายผู้ที่ทำบุญทำทานทำประโยชน์สุขให้แก่ผู้อื่นแล้วตัวเองก็มีความสุขตื่นก็สุขหลับก็สุขตายไปก็ไปสู่สุขติไปเป็นเทวดานี่คืออนิสง์ของการทำทาน เป็นบุญหลักที่เราควรจะทํากันเหมือนกับรับประทานอาหารเรารับประทานอาหารทุกวันวันละสามสี่เวลาเราก็ควรที่จะทําบุญทุกวันอย่างน้อยก็วันละหนึ่งครั้งเช่นสมัยก่อนก็มีเป็นธรรมเนียมของชาวบ้านเพราะทุกหมู่บ้านจะมีวัดวัดก็จะมีพระมาบิณฑบาตชาวบ้านก็เลยได้มีโอกาสทําบุญทุกวันสบายนี้ ความเจริญมันมากขึ้นพูดเราเราอยู่ห่างไกลจากวัดกันไปถ้าเรายังอยากจะทำบุญเราก็ยังทำได้ถ้าไม่ได้ทำโดยตรงก็ให้เอาเงินทำบุญใส่บาทนี้ใส่กระปุกไว้ใส่บัญชีไว้แยกเป็นบัญชีว่าเป็นบัญชีบุญแล้วพอถึงเวลาเรามาวัดเราก็เอาเงินบุญนี้เงินที่เป็นบัญชีบุญนี้มาทำบุญ ก็เท่ากับเราได้ใส่บาททุกวันหรือจะโอนเงินทุกวันก็ได้สมัยนี้มีการโอนเงินผ่านทางมือถือได้วันนี้อยากจะใส่บาทก็โอนเข้าบัญชีของวัดไปร้อยบาทสําหรับค่าอาหารบิณฑบาตทําอย่างนี้ก็จะได้ทําบุญทุกวันจะได้มีความอิ่มใจสุขใจทุกวันนั่นเองถ้าวันไหนไม่ทำแล้วจะผิดจะรู้สึกผิดอะไรไปจะรู้จักขาดอะไรไป ญาติโยมที่ใกลสายบาตทุกวันนี้เวลาวันไหนเ็าไม่ได้สายบาทเขาจะรู้ว่าสึกว่าขาดอะไรไปบางวันพระมาก่อนเขามาไม่ทันบางทีเขาก็ต้องขี่รถตามพระไปวิวถาไปไม่ทันก็มาที่วัดเพราะว่าเขาทำแล้วมันเหมือนกับเป็นอาหารใจเวลาได้ทำแล้วเขาเกิดความอิ่มใจสุขใจเวลาไม่ได้ทำแล้วเหมือนกับไม่ได้รับประทานอาหาร อันนี้แหละคือบุญของใจที่เราเป็นบุญหลักที่เราควรจะทําเป็นประจําคือการทําทานนะบุญชนิดที่สองที่เราควรจะทําเป็นประจําก็คือการรักษาศีลคือการละเว้นจากการทําบาปห้าประการด้วยกันเพราะการทําบาปนี้จะทําให้ใจเราทุกข์ไม่ใช่จาให้ใจเราสุขถ้าเราต้องการความสุขไม่ต้องการความทุกข์ จากการกระทำบาปเราก็ต้องรักษาศีลห้ากันอรักษาศีลห้าทุกวันการรักษาศีลห้านี้ก็ไม่จําเป็นจะต้องอาอราธนาศีลห้าทุกวันอาราธนาครั้งเดียวก็พออาราธนาเป็นนิตศินนิตยศีลไปคือศีลประจําตัวจะรักษาไปตลอดชีวิตอาราธนาหนเดียว แล้วก็ไม่ต้องไปอาราธนาที่วัดกับพระก็ได้อาราธนากับตัวเองนั่นแหละตั้งจิตอธิษฐานขึ้นมาตั้งสัสจจะอธิษฐานขึ้นมาถ้าเป็นสัจจะแล้วก็คือจะไม่โกหกตัวเองนั่นเองอธิษฐานก็คือความตั้งใจตั้งใจว่าจะรักษาศีลห้าไปตลอดเวลาทุกวันทุกเวลายกเว้นเวลาหลับ อยไาไปาราธนาศีลตอนจะก่อนจะนอนอันนี้รักษาแบบศีลตนนทชัยเพราะเวลานอนหลับมันไม่ได้ทําบาปมันไม่ได้ฆ่าสัตว์ไม่ได้รักทรัพย์ไม่ได้ประพฤติผิดโอ้เว้นี้ไม่ได้ดื่มสุราไม่ได้โกหกคนที่คิดว่าตนเองมีศีลห้าตอนนอนหลับนี่เป็นคนโกหกตัวเองหลอกตัวเองคนที่จะมีศีลห้าต้องตอนที่ตื่นเพราะแล้ว เพราะเวลาจะทำบาปต้องทำตอนที่ตื่นมันไม่ได้ทำที่ตอนนอนหลับเนี่ยบางคนมาถามว่าก่อนนอนอาราธนาสินห้าจะได้สินห้าหรือไม่อาราธนาหรือไม่อาราธนามันก็ได้อยู่แล้วสินห้าเวลานอนหลับเพราะไม่ได้ทำบาปที่้อาราธนานี่ให้อาราธนาตอนที่ตื่นเพราะเวลาจะทำบาปมันจะทำตอนตื่นไม่ได้ทำตอนหลับแต่ไม่ต้องอาราธนาทุกวัน ถ้าจะทำรักษาทุกวันก็อาราธนาหนเดียวก็พอทำความเข้าใจกับตัวเองว่าต่อไปนี้เราจะรักษาศี่ห้าแล้วก็มีสติคอยเฝ้าดูการพูดการกระทาว่าผิดศีลหรือไม่พอจะพูดปดก็อ่ะบอกว่ากำลังถึงสีแยกไฟแดงแล้วต้องเหยียบเบรกแล้วอย่าเหยียบคันเร่งถ้าเหยียบคันเร่งน้เดี๋ยวมันก็ต้องพูดปดออกมาถ้าเหยียบเบรกปับ๊บมันก็หยุด ไม่พูดเสียอย่างเดียวไม่ต้องพูดอะไรถ้าพูดความจริงไม่ได้ก็ไม่ต้องพูดอะไรเฉยๆไปยิ้มให้กเขาไปแทนส่งรอยยิ้มไปเวลาใครถามอะไรแล้วเราต้องโกหกเราก็ยิ้มไปให้เขาแทนเราก็ไม่ได้พูดปลดเวลาอยากจะได้ของของใครก็อย่าไปหยิบให้ท้ามีสติก็จะเหมือนกับคนขับรถที่ไม่เมาคนขับรถเมานี้จะไม่มีสติ พอมีอะไรถึงสียยกไฟแดงอาจจะมองไม่เห็นไฟแดงก็ได้เพราะฉะนั้นต้องมีสติเวลารักษาศีลถึงจะรักษารักษาศีลได้เวลาจะทำบา ป, ปก่อนก่อนจะทำบาปมันต้องคิดก่อนถ้ามีสติเราก็จะรู้ทันความคิดรู้ว่ากำลังคิดจะทำบาปเราก็หยุดความคิดนั้นเสียพอหยุดความคิดนั้นการกระทาบาปก็เกิดขึ้นไม่ได้ เพราะการกระทำบาปไม่ต้องรอคําสั่งจากความคิดก่อนความคิดนี้คือเป็นผู้สั่งความคิดนี้มาจากใจใจเป็นนายกายเป็นบ่าวะใจเป็นคนสั่งให้ร่างกายทําบาปหรือทําบุญะถ้าไม่มีสติจะไม่รู้ว่าจะทําบาปหรือทําบุญเพราะพอคิดปั๊บมันจะทําทันทีแต่ถ้ามีสตินี้มันจะเบรกไว้ได้งั้น ต้องฝึกสติถึงจะสามารถรักษาศิลได้ถ้าสติไม่ทันความคิดบางทีมันจะรู้มันสายไปแล้วเสร็แล้วเอาโกหกไปเสรแล้วเพราะว่ามันไม่ทันเพราะไม่มีสติคอยควบคุมความคิดเนีย่ยถ้าอยากจะรักษาสิลได้เป็นปกตินี้ต้องมีสติต้องฝึกสติบ่อยๆให้ทันกับความคิดของเราตอนต้นก็หยุดความถ้าอยากจะให้ทันมันต้องหยุดมันก่อน ถ้ามันวิ่งอยู่เราวิ่งตามมันไม่ทันถ้าเราอยาตามทันมันนี้เราต้องหยุดมันก่อนเพราหยุดความคิดตัดพอมันเริ่มคิดเราก็วิ่งตไปกับมันได้ทันทีเลยแต่ถ้ามันกําลังคิดอยู่นี่เราหยุดเราตามไม่ทันถ้าเราไม่หยุดมันเพงั้นการที่เราจะรักษาสินได้นี้เราต้องฝึกสติให้มากควบคุมความคิดให้ได้หยุดความคิดให้ได้ะ เพราะถ้าหยุดความคิดไม่ได้เวลามันคิดจะทำบาปมันก็จะทำไปทันทีนั่นเองแต่ถ้ามีสติหยุดความคิดได้พอมันคิดจะทำบาปเราก็หยุดมันได้ใช้พุทโธพุทโธหยุดมันเนั่นการจเจริญสติก็คือการบริกรรมพุทโธนี่เองมันจเจริญสติอยู่เรื่อยๆตั้งแต่ตื่นจนหลับแล้วเราจะสามารถรักษาศีลได้ตลอดเวลาเวลาเรา จะคิดจะทำบาปแล้วก็พุโทโธพุโทโธหยุดมันทันทีมันก็จะทำบาปไม่ได้<ม>นี่คือาบุญที่ทำเราควรจะทำทุกวันก็คือการรักษาศีลอย่างน้อยก็ศีนห้าเริ่มต้นที่ศีนห้าก่อนแล้วต่อไปถ้าเราเห็นอันคุณประโยชน์ของศีนเราอาจจะเพิ่มขึ้นไปเป็นศีลแปดต่อไปเพื่อที่เราจะได้ไปทำบุญ อีกข้อหนึ่งบุญที่เราจะต้องทำถ้าเราทำประจำได้ยิ่งดีแต่อันนี้ยากหน่อยก็คือการภาวนาการภาวนานี้ก็คือการทําใจให้สงบทําใจให้มีความสุขในตัวเองเพราะเวลาใจสงบแล้วใจจะมีความสุขจะมีบุญขึ้นมาทันทีแต่ยากเพราะว่าจะสงบได้นี้ต้องมีสติ ต้องหยุดความคิดต่างๆได้อันนี้อาจจะยากสำหรับผู้ที่ครองเรือนผู้ที่ยังต้องใช้ความคิดในการทำมาหากินอะไรต่างๆอันนี้จะเหมาะกับพวกที่เป็นนักบวชถ้าอยากจะทำบุญชนิดนี้อย่างต่อเนื่องเป็นประจำวันทาทุกวันนี้ไปเป็นนักบวชนะถึงจะได้ได้บุญชนิดนี้ แต่ก็ถ้ายังไปไม่ได้ก็อย่างน้อยก็ทําไปแบบเป็นการเป็นการซ้อมไปก่อนเป็นการหัดไปก่อนเป็นเหมือนมือสมัครเล่นไปก่อนเชนเล่นกีฬาถ้าเราไม่มีเวลาซ้อมทุกวันเราจะไปแข่งเพื่อชิงเหรียญทองย่อมเป็นไปไม่ได้แต่ถ้าเราซ้อมหัดเป็นมือสมัครเล่นไปก่อนหัดซ้อมไว้ก่อน แล้วต่อไปพอเรามีเวลาเพิ่มมากขึ้นเราก็ซ้อมให้มากขึ้นต่อไปเราก็อาจจะเปลี่ยนจากมือสมักเล่นไปเป็นมืออาชีพได้บุญข้อที่สามนี้คือบุญที่เกิดจากการภาวนาทําใจให้สงบทําสอนใจให้ฉลาดเป็นบุญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเพราะเป็นบุญที่จะทําให้ยุติความทุกข์ทั้งหลายได้หมดเลยความทุกข์นั้น เกิดมาจากการมาเกิดนี้เองเป็นส่วนใหญ่พอมาเกิดแล้วก็ต้องมาแก่มาเจ็บมาตายมาวุ่นวายกับเรื่องราวต่างๆไม่มีวันจบสิ้นถ้าอยากจ ะ, ะมีความสุขระดับความทุกข์อย่างร้อยเซก็ต้องอาศัยบุญชนิดนี้คือการภาวนาการที่เราจะภาวนาได้เราก็ต้องไปเป็นเบืออที่ไปเป็นนักบวช หรือไปอยู่แบบนักบวชนคนะือศีลแปดอย่างน้อยแล้วเราก็จะสามารถที่จะมีเวลามาภาวนามาทำใจให้สงบมาทำใจให้ฉลาดให้รู้ทันกิเลสตัณหาที่คอยลากเราให้มาเกิดแก่เจ็บตายอย่างไม่รู้วันสิ้นสุดไม่มีวันสิ้นสุดแต่ถ้าเราภาวนาได้ทำใจให้สงบได้ สอนใจให้ฉลาดได้ให้รู้ทันกิเลสตัณหาได้ใจก็จะสามารถหยุดกิเลสตัณหาต่างๆได้ทำให้ไม่มีอะไรจะมาดึงใจให้กลับมาเกิดแก่เจ็บตายต่อไปอันนี้เป็นบุญหลักสำหรับผู้ที่สามารถทำได้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกนักบวชพวกที่ไม่ต้องไปทำงานทำการมีเวลาว่างปฏิบัติได้ทั้งวันทั้งคืน อันนี้ก็เป็นบุญหลักข้อที่สามบุญหลักข้อที่สี่ที่เราต้องมีก็คือการฟังเทศฟังธรรมนี่การฟังเทศฟังธรรมนี่สําคัญอย่างไรเพราะถ้าไม่ฟังเทศฟังธรรมเราจะไม่รู้จักวิธีสร้างบุญปัิธรรมบุญเราจะไม่รู้ว่าบุญมีกี่ชนิดชนิดไหนเป็นบุญที่สําคัญชนิดไหนเป็นบุญที่ไม่สําคัญเออ ถ้าเรามาฟังเทศฟังธรรมแล้วเราก็จะได้ฟังธรรมได้รู้ว่าบุญมีหลายชนิดด้วยกันแต่ละชนิดก็ไม่เหมือนกันให้ความสุขได้มากน้อยต่างกัน mm hmm. นะการฟังธรรมจึงเป็นบุญที่จำเป็นที่เราต้องฟังอยู่เรื่อยๆสมัยพุทธกาลพระพุทธเจ้าก็บอกให้ฟังธรรมตามกาลตามเวลาก็คือทุกวันพระเนี่ย วันพระวันนี้ก็เป็นวันพระพอดีเป็นวังสมัยโบราณนี้คนจะหยุดทำงานในวันพระกันชาวนาชาวไร่ก็จะหยุดทำไร้ไถนาเพื่อจะได้ไปวัดไปฟังเทศฟังธรรมเพราะสมัยก่อนไม่มีวิธีฟังธรรมนอกจากการไปวัดเท่านั้นไม่มีหนังสือธรรมะให้อ่านกันมีก็อ่านไม่ออกคนสมัยก่อนส่วนใหญ่อ่านหนังสือไม่ออกกัน ต้องอาศัยพระอ่านให้ฟังคพระบางรูปไม่มีธรรมในตัวเองก็อาศัยธรรมของพระพุทธเจ้าเอามาอ่านเอาหนังสือธรรมะของพระพุทธเจ้ามาอ่านที่เรียกว่าเทศบาลเนเนี่ยบาลานก็เป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าที่พระท่านต้องเอามาอ่านเพราะว่าท่านไม่มีธรรมะในตัวเองท่านก็เลยต้องอาศัยธรรมะของพระพุทธเจ้าเอาธรรมะของพระพุทธเจ้ามาอ่านให้ฟัง ก็ต้องไปวัดกันก็ต้องมีวันหยุดถึงจะไปได้ถ้าวันอื่นต้องไปทำหน้าทาํ่ไร้ไถนาต้องไปทำการค้าขายทำธุรกิจต่างๆก็ไม่สามารถไปวัดได้สมัยโบราณจึงโอกาสที่ได้ฟังธรรมจึงมียากมากไม่เหมือนสมัยปัจจุบันนี้โอกาสที่ได้ฟังธรรมมีตลอดยี่บสี่ชั่วโมง เดี๋ยวใครไปย่าไปคิดว่าสมัยนี้ธรรมะสามารถมาถึงบ้านเราถึงตัวเราได้ตลอด24ชั่วโมงเลยสมัยก่อนนี้ต้องไปวัดต้องไปวันพระถึงจะได้ฟังเทศฟังธรรมสมัยนี้เรามีพอศัพท์รร ม, มือถือเครื่องเดียวนี้เราสามารถเข้าถึงธรรมะได้ตลอดเวลาดูก็ได้ฟังก็ได้อ่านก็ได้นี่ก็ เป็นความสำคัญความจำเป็นบุญที่เกิดจากการฟังธรรมนี้เป็นบุญที่สำคัญที่สุดถ้าไม่ฟังธรรมแล้วจะไม่รู้ว่าจะต้องทําบุญอย่างไรบ้างก็เหมือนกับคนตาบอดคนตาบอดนี่จะไปไหนมาไหนได้ต้องมีคนตาดีนาทางการได้ฟังธรรมนี้ก็เหมือนกับการได้พบคนตาดี พ่อคำสอนของคนตาดีก็คือพระพุทธเจ้านี่เองพระพุทธเจ้าก็จะสอนบอกให้เรามาทำบุญสิบประการกันโดยแบ่งบุญเป็นสองกลุ่มบุญที่ควรจะทำเป็นประจำคือทำทานรักษาศีลแล้วก็ฟังเทศฟังธรรมภาวนานี่คือบุญหลักที่เราควรจะทำกันส่วนอีกบุญในหก ข้อนี้ก็เป็นบุญเสริมก็ทําไปตามโอกาสทําได้ก็ทําทําไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเหมือนกับอาหารเสริมมกีก็กินไปก็จะเสริมให้ร่างกายแข็งแรงยิ่งขึ้นได้บุญทําบุญเสริมก็จะได้บุญเพิ่มมากขึ้นบุญที่เสริมข้อที่ข้อที่หนึ่งก็คือการอุทิศบุญเวลาเราทําบุญแล้วถ้าเรารู้จักคนที่เราลักเราชอบเราเคารพ ล่วงรับไปเราอยากจะให้เขาได้บุญเราก็สามารถอุทิศบุญนี้ไปให้กับเขาได้แบ่งให้เขาไปเราไม่ได้ให้เขาหมดเพราะให้เขาหมดไม่ได้บุญอุทิศนี้เป็นเหมือนกับของที่เราต้องส่งไปทางไปรษณีย์เขามีข้อจํากัดมีว่าส่งได้ขนาดเท่านั้นเท่านี้มากไปกว่านี้ส่งไปไม่ได้เนั้นบุญอุทิศนี้เราก็ต้องแบ่งเอาบุญที่เราทาในวันนี้แล้วเราก็อุทิศไป การอุทิศบุญนี้ไม่ต้องรอให้พระมาสวดย่อถาสัพพีไม่ต้องรอรับพรจากพระถึงจะได้บุญเพราะเราทาปั๊บบุญเกิดขึ้นแล้วดูที่ใจเราเวลาเราทําบุญแล้วเราสุขใจอิ่มใจอันนั้นนะแสดงว่าบุญเกิดขึ้นแล้วไม่ต้องรอให้พระมาสวดย่อถากรวดน้ำไม่ต้องมีน้ำมากรวดบุญนี่อุทิศได้ภายในใจเลยเหมือนสบายนี้สามารถโอนเงินผ่านทางมือถือได้เลย ไม่ต้องเดินทางไปที่ธนาคารไปโอนเงินสามารถใช้มือถือกดหมายเลขบัญชีของผู้รับแล้วก็ส่งไปได้ทันทีอันใดบุญอุทิศก็เป็นแบบนั้นพอเราทำบุญปั๊บนี่เราไม่ต้องรอให้พระมาเป็นผู้ส่งบุญไปให้กับเราพระไม่ได้เป็นบุรุษไปสีการให้พรของพระนี้เป็นการให้กาลังใจเป็นการสอนว่าการทำบุญแล้วจะได้ประโยชน์กับจิตใจ และได้ความเจริญด้วยอายุวันนะสุขพะพละไม่ได้เป็นการให้พรเป็นการบอกบอกความจริงของผลที่เกิดจากการทําบุญเอจะบอกไม่บอกผู้ที่กระทําก็ได้รับผลทันทีเอได้รับความสุขความเจริญทางอายุวันนะสุขพะพละทันทีพระจะให้พรหรือไม่ให้พรนี้ไม่เป็นประเด็นเพียงแต่ เมื่อเขาให้พอเขาให้ของมาพระ ก, ก็เหมือนกับพูดขอบอกขอบใจแล้วก็สอนไปว่าทำอย่างนี้ดีแล้วทำไปเรื่อยๆนะตาแล้วชีวิตจะเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าให้กำลังใจสนับสนุนในทานองนี้อนุโมทนาบุญของผู้ที่กระทำบุญ เพื่อให้ผู้ที่ได้ทำบุญนะั้นมีกำลังใจไม่ย่อท้ออย่าไปทาอย่าไปพูดในเชิงที่ทำให้เขาย่อท้อว่าทำไปแล้วได้บุญหรือเปล่าก็ไม่รู้ทำไปแล้วเดี๋ยวเสียเปล่านะทาให้คนทำนี้ที่ไม่มีความมั่นใจอาจจะไม่มั่นใจขึ้นมาแล้วอาจจะไม่อยากจะทำบุญต่อไปก็ได้แต่ถ้ามีพระมาคอยให้อนุโมทนานเวลาพระสวด น, นี้พระกำลังให้อนุโมทนาบุญ ให้กำลังใจว่าทำไปเถิดของจริงของแท้คือบุญทำไปแล้วไม่ขาดทุนมีแต่กำไรยอย่างเดียวมีแต่ได้เพิ่มมากขึ้นกว่าที่เราทำไปก็จะทำให้คนทำบุญนี้มีกำลังจิตกำลังใจที่จะทำไปเรื่อยๆนี่คือความหมายของเวลาพระให้ผ่อนท่านให้กำลังใจให้ความรู้ว่าให้รับให้รับประกันว่าบุญนี้เป็นของแท้ของจริง ไม่สูญหายไปทาแล้วจะได้ทั้งขณะที่มีขณะที่ยังมีชีวิตอยู่และขณะที่ตายไปแล้วขณะที่มีชีวิตอยู่ก็มีความอิ่มใจสุขใจเนี่ยพอทำปุ๊บนี่ความทุกข์ใจบางอย่างมาทีหายไปเลยพอได้ทำบุญแล้วทำให้ความสุขใจอิ่มใจนี้มากบกับความทุกข์ใจไดนะน้นี่ก็คือเรื่องของการอุทิศบุญนะ อุทิศบุญนี้ไม่ต้องรอให้พระสวดให้พรไม่ต้องมีน้ำํำพอใส่บาเสร็จปั๊บก็อุทิศได้เลยทําบุญปั๊บนี่ก็อุทิศได้เลยถ้าอยากจะอุทิศถ้าไม่รู้จะอุทิศให้ใครไม่อุทิศก็ไม่เป็นปัญหาอะไรถ้าไม่รู้จักใครอยากจะอุทิศให้กับพวกที่ระกญติพวกที่ไม่ใช่ญาติของเราก็ได้ เพามีดวงวิญญาณอยู่เยอะแยะที่ญาติพี่น้องไม่เชื่อเรื่องบุญไม่ทําบุญไม่อุทิศบุญเราก็สามารถที่จะช่วยพวกนี้ได้พวกที่เหมือนกับขอทานที่เราไม่ได้เป็นญาติของเราเราก็สงสารเขาเห็นเขาตกทุกข์ได้ยากขาดแคลนเดือดร้อนเราก็ทําบุญเราก็ให้ช่วยเหลือเขาไปดวงวิญญาณที่ไม่มีบุญก็เป็นเพนพวกขอทานนี่ดีนี่เอง เพราะเราทําบุญแล้วเราก็อุทิศบุญกันไปแล้วเราก็จะได้ความสุขอีกชั้นหนึ่งเพราะว่าเราได้ช่วยสองต่อได้บุญจากการช่วยเหลือผู้ที่มีชีวิตอยู่แล้วยังเอาบุญที่เราได้นี้ไปให้ช่วยเหลือกับผู้ที่เสียชีวิตไปแล้วอีกจึงได้บุญสองชั้นด้วยกันนี่คือบุญที่เกิดจากการอุทิศบุญบุญที่เกิดจากการอนุโมทนาบุญก็อย่างที่เมื่อกี้อธิบายให้ฟัง เวลาใครก็ททำบุญเขามาบอกเล่าเราเราก็ต้องสาธุไปสนับสนุนเ็าว่าดีแล้วทำไปเถิดหน้าอิจฉาเราไม่มีโอกาสได้ทำทำแล้วคนมีความสุขคนร่ำคุณรวยแต่เราอยากจะรว่มมนุโมทนาก็บอกเขาว่าเราหน้าทาบุญช่วยบอกเราหน่อยเพราะบางทีเราไม่มีเวลาจะไปทำบุญเราจะได้ฝากเงินไปทำบุญด้วย เราจะได้ร่วมบุญด้วยร่วมอนุโมทนาถ้าเราไม่ได้ร่วมบุญเราก็จะไม่ได้บุญส่วนนี้ถ้าได้บุญจากการอนุโมทนาก็อาจจะเ ก, กิดความรู้สึกอิ่มเอิบใจไปกับเขาก็ได้เห็น<ม> <He en, S 2> เขาทำบุญแล้วเราก็มีความสุขไปกับการความสุขของผู้อื่น<ม>ก็เหมือนกับเรามีความเมตตามีมุติตาจิตเราไม่อิจฉาเลยเสียเราไม่เสียดาย ที่เราไม่ได้ทำเหมือนกับเขาได้ทำอันนี้ก็จะทำให้เราได้ความสุขเหมือนกันเวลาใครเขามาทำเขาทำบุญแล้วเราร่วมอนุโมทนาบุญไปกับเขานี่บุญที่เกิดจากการอนุโมทนาบุญบุญอีกข้อหนึ่งก็คือบุญที่เกิดจากการรับใช้ช่วยเหลือผู้อื่นบางคนอาจจะไม่มีเงินทองที่จะทำทานแต่มีเวลามาก ก็สามารถเอาเวลานี้ไปทำประโยชน์เป็นอาสาสมัครทำงานทำการช่วยเหลือสังคมได้เช่นพวกที่เป็นอาสาสมัครไปกับการกู้ภัยต่างๆไฟไหม้ก็ไปช่วยเหลือกันน้ำท่วมก็ไปช่วยเหลือกันรถเกิดอุบัติเหตุก็ไปช่วยเหลือกันโดยที่ไม่รับค่าจ้างตอบแทนทำไปด้วย ความปรารถนาที่อยากจะได้บุญทอทำแล้วจะเกิดความสุขใจขึ้นมาอิ่มใจขึ้นมาที่ได้ทำประโยชน์ให้กับผู้อื่นหรือจะทำอะไรก็ได้เช่นไปวัดเห็นวัดสกรปรกที่ไหนสกรปรกก็ช่วยกันเก็บกันกวาดาห้องน้ำสกรปรกก็ช่วยกันล้างอย่าไปถือว่าเราไม่ได้เป็นคนรับใช้เราไม่ได้เป็นลูกจ้าง เราคิดว่าเราทำบุญเราทำเพื่อบุญทำเพื่อความสุขใจเห็นมีอะไรที่เราทำได้ก็ทำไปขยบขยะตรงไหนเก็บได้ก็เก็บไปอันนี้ก็ได้บุญแล้วทำแล้วจะได้เกิดความสุขใจขึ้นมา mm hmm. เพราะบางทีเราอาจจะไม่มีเงินทองเหมือนคนอื่นเขาเราไม่มีเงินทองแต่เราก็ยังสามารถที่จะมีบุญได้ mm hmm. ด้วยการทำประโยชน์ให้แก่ผู้อื่น ได้ว่าบุญที่เกิดจากการรับใช้ผู้อื่นแล้วบุญอีกข้อหนึ่งที่เราทาได้ถ้ามีโอกาสก็ทำก็คือบุญที่เกิดจากการอ่อนน้อมถ่อมตนเวลาเรามีความอ่อนน้อมถ่อมตนนี้ใจเราจะสุขจะสบายเพราะว่าเราไม่ต้องไปแข่งขันกับใครไม่ต้องไปอวดเก่งอวดดีกับใคร เราอ่อนน้อมอมตนเราชิดซ้ายใครอยากจะเป็นใหญ่ให้เขาใหญ่ไปก็อยากจะเก่งให้เขาเก่งไปเราขอเป็นคนธรรมดาสามัญนคนที่ไม่มีอะไรคนคนที่ถอมตนเนเป็นคนที่สบายไม่ต้องไปแสดงไม่ต้องไปพิสูจน์ตัวเองว่าเก่งอย่างนั้นเก่งอย่างนี้รู้อย่างนั้นรู้อย่างนี้รวยอย่างนั้นรวยอย่างนี้ ถ่อมตัวเราจะสบายใจจะมีความสุขถ้าอวดเก่งอวดดีแล้วจะวุ่นวายใจเพราะจะต้องอต้องไป อ, อวดอยู่เรื่อยๆอวดแล้วถ้าไม่มีคนเ็า ย, ยินดีกับเราก็ทุกข์อีกเพราะฉะนั้นการมีความอ่อนน้อมถ่อมตนนี้จะทำให้เรามีความสุขแล้วเราจะเข้ากับคนได้ทุกระดับเข้ากับใครเราก็อ่อนกับเขา กเขาเขาก็ยินดีที่จะคบค้าสมาคมกับเราถ้าเราไปทำตัวเก่งกับเขาดีกับเขาก็ไม่มีใครก็อยากจะคบค้าสมาคมกับเราเราก็จะเป็นคนที่ไม่มีใครอยากจะคบค้าสมาคมด้วยดัยงนั้นขอให้เราสร้างบุญชนิดนี้เวลาที่เราพบปะกันคบค้าสมาคมกันพยายามอ่อนน้อมทำตนเอาไว้แล้วจะมีความสุขจะมีความสบายใจ ไม่ต้องมาดิ้นดนมาสแสดงว่าความวิเศษวิสโสของเราความร่ำของเราความรวยของเราความใหญ่ความโตของเราแล้วเขาจะรักเราเขารบเรามากกว่าการที่เราอวดเก่งอวดดีเสียอีกเพราะคนเราก็รู้กันอยู่แล้วว่าทุกคนก็อยากจะเถอว่าตนเองเป็นหนึ่งใครมาอวดว่าเก่งกว่าเราเนี่ยเราก็ จ, กจะมันไส้ขึ้นมาแล้ว ไม่อยากจะยุ่งด้วยไม่อยากจะเกี่ยวข้องด้วยแต่ถ้าเขาไม่มาแสดงความอดเก่งอดดีเขาอ่อนน้อมถ่อมตนพี่คะพี่ขาอย่างนี้เราก็อยากจะคบค้าสมาคมกับเขาอันนี้ก็บุญอีกชนิดหนึ่งก็คือบุญที่เกิดจากการมีความอ่อนน้อมถ่อมตนที่เราทำตามวาลโอกาะเจอใค ร, ครสมควรที่จะอ่อนน้อมอ่อนน้อมถ่อมตนก็อ่อนไป ถ้าบางคนที่ก็อ่อนกับเราแล้วเราก็ไม่ต้องไว้อ่อนกับเขาก็ได้ถ้าเขาเขาลบเราแล้วเราก็เมตตากับเขาแทนไป น, นี้ก็บุญอีกชนิดหนึ่งก็คือบุญที่เกิดจากการการมีความเห็นที่ถูกต้องความเห็นที่ถูกต้องก็คือเห็นว่าบุญมีจริงบาปมีจริงการเวียนว่ายตายเกิดมีจริง ความทุกข yeah, ์เก hmm. ิดจากความอยากของเราเก hmm. ิดจากการทาบาปของเราการสิ้นสุดของการเวียนว่ายตายเกิดก็มีจริงมรรคผลนิพพานมีจริงพระพุทธเจ้าพระอรหันต์มีจริงการที่เราจะมีความเห็นถูกต้องเหล่านี้ได้ถ้าเราไม่เห็นด้วยตัวเราเองเราก็ต้องไปอาศัยผู้อื่นก็ไปคบบัณฑิตคบคนฉลาดคนที่รู้บุญรู้บาปรู้นรกรู้สวรรค์ รู้การเวียนว่ายตายเกิดรู้เหตุของความทุกข์ว่าเกิดจากการทำบาปเกิดจากการมีความอยากต่างๆเราก็ต้องไปคบคนที่ฉลาดคบบัณฑิตบัณฑิตก็คือบัณฑิตที่ฉลาดที่สุดก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราไม่ได้หมายถึงบัณฑิตทางโลกบัณฑิตทางโลกในสายตาของพระพุทธศาสานานี้ถือว่าเป็นคนพาลเป็นคนง้ เพราะว่าความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอดเป็นถึงด็อกเตอร์แต่ก็ยังต้องร้องหม่มร้องไห้เศร้าโศกเสียใจหรือไปทําบาปทํากรรมได้อย่างนี้ไม่ถือว่าเป็นบัณฑิตบัณฑิตนี้จะไม่มีวันร้องหม่มร้องไห้จะไม่เศร้าโศกเสียใจจะไม่ทําบาปโดยเด็ดขาดบัณฑิตที่แท้จริงก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราก็ต้องเข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ กาไปศึกษาไปฟังเทศฟังธรรมจากท่านเหล่านี้แล้วเราก็จะได้มีสัมมาทิฏฐิมีความเห็นที่ถูกต้องเมื่อเรามีความเห็นที่ถูกต้องเราก็จะได้ดำเนินชีวิตของเราไปได้อย่างถูกต้องคือนำไปสู่ความทุกข์ความหลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆนำไปสู่แต่ความสุขความเจริญ น, นี่ก็คือเป็นบุญอีกชนิดหนึ่งบุญที่เกิดจากการมีความเห็นที่ถูกต้อง ถ้าเรามีอยู่แล้วก็ก็เถี่ว่าเป็นบุญวาสนาของเราบางทีเราเกิดมานี่เรารู้แล้วว่าทําบาบนี่ไม่ดีเราจะไม่ทําเลยบางคนนี้เขามีเขามีมีความรู้นี้ติดตัวเข้ามาเขาจะไม่ทําบาปเขาจะไม่เสพอบายามุกต่างๆเพราะเขารู้ว่ามันเป็นการกระทําที่ทําให้เกิดโทษไม่เกิดประโยชน์แต่ถ้าไม่รู้ก็ต้องไปหาผู้รู้สอนน บุญอีกข้อหนึ่งก็คือบุญข้อสุดท้ายถ้าเรามีมีธรรมะมีบุญมีความฉลาดเรารู้ที่เราได้ศึกษาได้ปฏิบัติจนเรามีดวงตาเห็นธรรมถ้าเราอยากจะช่วยเหลือผู้อื่นให้เขาได้มีดวงตาเห็นธรรมเราก็เอาธรรมะนี้ที่เราเห็นนี้ไปสั่งสอนเขาไม่เก็บเอาไว้เฉยๆคนเดียวสั่งสอนให้ผู้ที่เขาไม่รู้ได้รู้ เพราะถ้าเขารู้แล้วเขาก็จะได้ปฏิบัติได้ถูกต้องแล้วเขาก็จะได้หลุดพ้นจากความทุกข์อย่างที่พระพุทธเจ้าได้ทรงปฏิบัติมาในเบื้องต้นนี้พระพุทธเจ้าไม่สอนใครเลยเพราะยังไม่รู้จริงยังมีความทุกข์อยู่ยังไม่ได้หลุดพ้นจากความทุกข์ก็เลยไม่กล้าไปสอนใครแต่พอหลังจากที่ได้ตัดสตได้กาจัดความทุกข์ต่างๆหมดไปจากใจแล้ว พระ อ, องค์ก็มีความมั่นใจร้อยเอร์เซนตว่าวิธีการดับทุกนี้ดับได้อย่างไรพระ อ, องค์ก็เลยอุทิศเวลาของชีวิตที่เหลืออยู่อีกสี่สิบห้าปีให้แก่การเผยแผ่สั่งสอนธรรมะให้แก่ผู้อื่นทั้งๆที่พระ อ, องค์ก็ไม่มีความจําเป็นที่จะต้องเอาบุญจากการสั่งสอนแต่ท่านสอนด้วยความเมตตาแต่สําหรับพวกเราที่ยังอาจจะยังไม่ ได้หลุดพ้นแต่เรายังพอรู้ว่ามีธรรมะมีคำสอนดีๆเช่นในหนังสือต่างๆที่เราอ่านแล้วเราเกิดความประทับใจเห็นคุณประโยชน์ของธรรมะที่เราได้อ่านเราก็อาจจะช่วยเผยแผ่ธรรมะนี้ด้วยการพิมพ์หนังสือแจกจ่ายไปก็ได้แล้วเราก็จะได้ความสุขความสุขเพราะมันเป็นการให้ทานชนิดหนึ่งที่เป็นชนิดที่ดีกว่าการให้วัตถุเข้าของเงินทอง เพราะการให้เข้าของเงินทองนี้ช่วยบรรเทาความทุกข์ยากลําบากทางร่างกายเท่านั้นไม่สามารถบรรเทาความทุกข์ยากลาบากของใจได้แต่การให้ธรรมะนี้จะสามารถบรรเทาความทุกข์ทางจิตใจได้หมดเลยแล้วความทุกข์ของใจนี้มีมีความยิ่งใหญ่กว่าความทุกข์ของทางร่างกายความทุกข์ร่างกายก็เชื่อแค่อายุของร่างกาย พอร่างกายตายไปความทุกข์นั้นก็หมดไปแต่ความทุกข์ทางใจนี้มันไม่ได้หมดไปกับร่างกายพอใจมันไม่ได้ตายมันก็จะทุกข์ต่อไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้แสงสว่างแห่งธรรมมาช่วยดับความทุกข์อันนี้พระพุทธเจ้าจึงทรงตัดว่าการให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวงให้ธรรมะนี้จะเป็นประโยชน์ยิ่งใหญ่กว่าการให้เข้าของเงินทองต่างๆ ก็เป็นการบรรเทาความทุกข์ยากเพียงส่วนน้อยส่วนย่อยคือส่วนของร่างกายส่วนใหญ่ยังไม่ได้บรรเทาก็คือความทุกข์ทางจิตใจแต่ถ้าได้ให้ธรรมะแล้วจะทําให้ความทุกข์ใจนี้น้อยลงไปและอาจจะหมดไปก็ได้ถ้าผู้ได้ยินได้ฟังสามารถน้อมเอาไปปฏิบัติได้นําเอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้นี่คือบุญที่เกิดขึ้นจากการให้ธรรมะ ถ้าเรายังไม่มีธรรมะแต่เราได้พบธรรมะผ่านทางหนังสือดีๆหนังสือธรรมะต่างๆที่เราเห็นมีคุณค่าคุณประโยชน์เราอยากจะให้ผู้อื่นได้รับประโยชน์จากหนังสือดีๆเหล่านี้เราก็ถ้าเรามีกําลังก็พิมพ์ามาแจกออกมาจ่ายกันไปถ้าเราไม่มีเงินทองแต่เรามีธรรมะเราก็ใช้วาจาของเราพูดไปสอนไปก็ได้สอนให้กับคนที่สนใจ อย่าไปสอนให้กับคนที่ไม่สนใจเขาจะลำคาญห่อการที่จะให้ธรรมะนี่ต้องดูคนเหมือนกับหมอที่ให้ยาไม่ใช่อยู่ดีดีก็ไปให้ยากับคนทุกคนเจอไขรก็เอ า, เอายาอันนี้ไปกินอันนี้ก็เหมือนกันเจอไขรก็เอานังสือธรรมะไปอ่านทาั้งที่กาลังเมาเล่าแปลแล้วก็เอานังสือธรรมะไปอ่านอันนี้ไม่เกิดประโยชน์เสียเงินทองเปล่ า, าเสีย เวลาจะให้ธรรมะต้องดูคนรับว่าเขายินดีหรือไม่เขาอยากจะได้หรือไม่ถ้าเขาไม่อยากจะได้อย่าไปให้เขาให้เสียเวลาจะไม่ได้รับประโยชน์จากการให้เพราะเขาก็ไม่ได้เอาไปอ่านเขารับแล้วเขาก็ไปวางไว้ดังั้นการจะให้ธรรมะนี้ก็เหมือนกับการให้ยาเราต้องดูว่าเขาเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วเขายินดีที่อยากจะรับยาไปหรือเปล่า ถ้าเขาไม่อยากกินยาก็อย่าไปให้เขาเลยเดี๋ยวเขาเอาไปโยนทิ้งเปล่าๆเอายานี้ให้กับคนที่เขาอยากจะรับประทานดีกว่านี้ก็คือเรื่องของการให้ธรรมะจะสอนใครก็ต้องดูว่าเขาเขาสนใจหรือเปล่าไม่ใช่อยู่ดีก็สอนเขาให้ทาทานรักษาศีลนะอยากกินเหล้าเมายาเขาคนนังกินย้าวยู่เดี๋ยวเขาก็ <laughs> ขับไล่เราไปนะนะั่นน่ะนี่ก็คือบุญที่เกิดจากการให้ธรรมะ ต้องรู้จักกาลเทศะด้วยรู้จักว่าผู้รับนี้ยินดีจะรับหรือไม่พร้อมที่จะรับได้หรือไม่ถ้าเขาไม่ยินดีเขารับไม่ได้ก็อย่าไปรับอย่าไปให้เขาเพราะมันจะเป็นเหมือนกับการเทน้ำใส่หลังสุนัขเนี่ยสาดน้ำใส่หลังสุนัขมันก็สะบัดทิ้งหมดนะส่วาให้สุนัขที่มันชอบอาบน้านีกวให้แล้วมันดีใจมันร้องนะนี่คือความสุขต่างๆบุญต่างๆบุญคือความสุขใจ ที่พระเจ้าทรงสอนให้พวกเราทํากันเนี่ยไม่ต้องไปหาบุญที่อื่นถ้าอยากจะได้บุญเอาบุญสิบชนิดนี้ก็เหลือเฟือแล้วบุญชนิดอื่นนี้ไม่รับรองไม่รับประกันว่าเป็นบุญหรือเปล่าก็ขอให้ท่านจงนําเอาบุญทั้งสิบประการนี้คือบุญหลักและบุญเสริมบุญหลักก็คือการทําทานรักษาศีลภาวนาการฟังเทศฟังธรรมบุญเสริมก็คือการอุทิศบุญการอนุโมทนาบุญ การรับใช้ผู้อื่นการมีความอ่อนน้นอมท่อมตนการมีความเห็นที่ถูกต้องการให้ธรรมะแก่ผู้อื่น อ, อันนี้เป็นบุญเสริมถ้าเรามีโอกาสมีเวลามีกําลังมีความสามารถก็ทําไปไม่มีก็ไม่เป็นไรให้ทําบุญหลักไปก็แล้วกันก็ขอให้ท่านทั้งหลายจงมีแต่ความสุขและความเจริญจากการที่ได้ยินได้ฝังธรรมและนำธรรมนี้ไปปฏิบัติต่ตอไป การแสดงก็พอสมควรแก่เวลาก็ขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พรยั่าวาหรือวาหาาปุราปาริโปุเรนติสาคารังเอวามวะอิตโตทินังเปตานังอุปกบปติอิที่ตังปฏิทังตุมหังคิดปะเมวะสมิจตตสัพเพปุเรนตุสังกปา จันโทปนะะราโสยทามณิโทติดะราโสยทาสพิติโยวิวาจันโุสัพพุโควินัสตุมาเตภวัตวันตารายสุขีทีขายุโกภะอภิวาทนศีลสะนิจังวุฒาปจายโน จตารโรธรมมวทานติ <atar> อายุวโนสุขังพาลังลำดับตอบ่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามตอบปัญหาธรรมะใครมีคำถามทางธรรมะปฏิบัติ <c oughs> ก็เชิญถามได้ในช่วงนี้ถ้าไม่อยากจะถามด้วยตัวเองจะเขียนข้อความมา ถามก็ได้แต่ขอให้ถามในช่วงที่เรากําลังประชุมกันอยู่ในตอนนี้พอหลังจากที่เลิกประชุมแล้วก็ขออนุญาต ก, ก็ตอบคําถามจะหาว่าโหดร้ายนะเพราะว่ามันมีขอบมีเขนมีเวลาจะได้ต้องจะต้องไปทํารื่องอื่นต่อไม่ใช่มานั่งตอบปัญหาเวลาที่ให้ถามไม่ถามเวลาหยุดถามแล้วจะมาถามน วันนี้ทาง Facebook เข้ามาเท่าไหร่วันนี้วันนี้ Facebook สูงสุดสามค่อยหกสิบเจ็ดค่ะหนึ่งร้อยี่สิบสี่ค่ ะ, ะแล้วทางไล น, น์มีเท่าไหร่ห้านเก้าสิบห้าพันกทางอินต g r a m มก็คงจะไม่มีคนเดียวคนเดียว <laughs> ไม่พอตัวล่าอไม่ทันการเหมือน YouTube หรือ f เ o ซบร๊กสะดวกนวดเร็วกว่า เห็นโบบอกวมีมีทวิตเตอร์นะไม่รู้เป็นไงเอาเข้ากันใหญ่ขออย่างเดียวอย่าไปเล่ย์ลายเงินทองนะของเรานี้ห้ามเด็ดขาดนเรื่องเล่ย์ลายเงินทองปล่อยให้เป็นไปตามศรัทธาก็อยากจะทําก็ทําไปแต่ไม่ใช่สื่อนี้เป็นสื่อหาเงินหาทองเป็นสื่อเผยแพร่ทำเมื่อเช้านี้มีแอดมินมาถามคนหนว่าจะช่วยเหลือสุนัข ผมอันนี้ช่วยไม่ได้จริงๆมันไม่ใช่เป็นมันไม่เหมาะมันไม่ใช่การรักเทศะช่วยก็ต้องช่วยตามกำลังของเราไปเราใช้สื่อนี้เป็นการเผยแผ่ธรรมเพียงอย่างเดียวนะขอให้ทุกคนเข้าใจอย่าหาหาผลประโยชน์จากการใช้สื่ออันนี้ไม่ต้องการผลประโยชน์ต้องการที่จะเผยแผ่ธรรมจะพูดอย่างนี้จะได้เข้าใจเผื่อใครไปแอบอ้างใช้ชื่อเราไป เรียลัยเงินทองหรืออะไรต่างๆนี่ก็ขอให้ปฏิเสธไปได้เลยเนยเพราะเราจะไม่มีการเรียลายเงินทองจากใครการคนจะมิจฉาชีพคนอัดอ้างแล้วก็ไปหลอกให้คนที่เขาไม่รู้ต้องทำบุญเพราะว่าเป็นการทาให้กับเรานะอันนี้ไม่มีได้อยากจะทาก็มาทาที่นีนะ่เราต้องติดต่อโดยตรงก่อนนะมีคำถามไห อาวเดี๋ยวส่งนะไปให้ทางนี้หน่อยอ่าถามได้กลับเรียนกลับเรียนถามพระอาจารย์ค่ะอยากอยากสอบสอบถามว่าถ้าสมมติว่าบอกธรรมะแก่คุณพ่อคุณแม่เป็นการทําบาปไหมคะก็อยู่ที่ว่าคุณพ่อคุณแม่เขาสนใจเขาถามหรือเปล่าแต่เขาไม่สนใจไม่ถามก็ไม่ควรที่จะไปสั่งไปสอนท่านถ้าท่านอยากรู้ว่า ไปวัดมาได้ยินได้ฟังอะไรมาบ้างอันนี้ก็บอกเขาได้แต่ถ้าสมมุติว่าท่านไม่ต้องการที่จะอะก็ก็ไม่สมควรที่จะบอกอเพราะก็มันก็ไม่ได้ประโยชน์น่า จ, จะทําให้ท่านลาคาญขอบคุณค่ ะ, ะคําถามจากผู้ไม่ประสงค์อคคอกนามนะ ค, คะเพิ่งทราบจากท่านอาจารย์ว่าคนที่เก่งไปหมดทุกเรื่องมีความสุขน้อยกว่า คนที่อ่อนน้อมถ่อมตนใช่หรือไม่คะใช่คนที่อ่อนน้อมถ่อมตนนีไ่ไม่ต้องไปแสดงตัวไม่ต้องไปไปพิสูจน์ให้คนอื่นเขารู้ว่าเราเก่งใช่ไหมแต่คนเก่งนี่ต้องคอยพิสูจน์อยู่เรื่อยๆเหมือนอื่นี่บางทีอยากอวดเก่งใช่ไหมถามว่าไอ้ไอ้ไอ้ไอว้วัวไอ้ที่มันมาเหยียบลูกเรานี่ตัวขนาดไหนมันก็เลยเบ่งท้องขึ้นมาเรื่อยๆขนาดนี้หรือเปล่าขนาดนี้หรือเปล่ า, า, ด เ, ลาเดี๋ยวก็ท้องแตกเนี่ย ไม่เคยอ่านนิทานอีศบคนสมัยเนี้คนที่ชอบอวดเกง่อเงอวดแบ่งเนี่ยเป็นพวกที่ไม่เคยอ่านนิทานอีศบถ้าอ่านนิทานอีศบเราจะเข้าใจว่ามันมันไม่ใช่ทางที่จะทําให้เราเก่งเลือดีคนเก่งจริงๆนี่ก็เป็นเหมือนเสือซ่อนเล็บแมวซ่อนเล็บไม่เหมือนหมาที่ชอบเผาแมวนี่มันอยู่เฉยๆแต่เมือเข้าใกล้มันเดี๋ยวมันตะปบใส่หน้าเราเนี่ย อถามได้คือ อ, อยากเรียนธรรมอาจารย์ว่าก่อนหน้าเนี่ยครับเคยเรียนรูปปฌานสี่ที่มีการชั้นหนึ่งชั้นสองชั้นสามชั้นสี่แต่วันหนึ่งพอได้มาบวชได้เรียนพุโทโธเราก็เลยไม่รู้ว่าเส้นทางไหนเป็นเส้นทางที่เราทําแล้วถูกหรือผิดอะไรเงี้ยฮะพุโทโธนี่ก็เป็นการเข้าฌานอยู่แล้วเนี่ยมันจะผิดตรงไหนอ่ะ วิธีเข้าฌานมันก็ต้องมีสติเท่านั้นมัินอย่าเข้าได้ไม่ใช่มานั่งอ่านว่าฌานที่หนึ่งเป็นยังไงแล้วมานั่งผลิตว่าไอผลิตไอ้สิ่ ง, งนั้นสิ่งนี้ขึ้นมาแล้ผลิตมันไม่ได้มันเป็นผลที่เกิดจากการเรามีสติควบคุมระ ง, งับความคิดปรุงแต่งของเราพอเราควบคุมระ ง, งับความคิดปรุงแต่งได้เราก็จะเริ่มเข้าสู่ฌานขั้นต่างๆเราไม่รู้ว่าคุณไปเรียนฌานสี่ของคุณเรียนยังไงออา เป็นเกสาโลมานักขาดนันตาตาโะโจเออันนั้นก็เป็นไปกไปเป็นการเจริญสติเหมือนพุโทโธน่ะแหละมันนีมันก็ไม่ต่างกันตรงไหนเพียงแต่ฐานที่จะพุโทโธเกสาโลมานัขาทันตาไปเพื่อจะได้ไม่คิดยแล้วมันได้ผลหรือยังคือทําทั้งสองอย่างก็ทําเป็นทั้งสองอย่างแล้วมันได้ได้ชาหรือยังอะได้ตามความรู้สึก ที่ที่เขาบอกว่าชั้นสี่จะรู้สึกยังไงชันสามสึ่ยังไงอันนี้รู้สึกมาแล้วอแต่ทางพุโทโธเนี่ยเราก็รู้สึกชารู้สึกอะไรประมาณนี้ครับออคนได้ทางไหนคุก็เอาทางนั้นไปสิ เ, ออเปลี่ยนทางทำไมละ่ะถ้ากินนั้นข้าแล้วอิ่มก็กินข้าวไปเรื่อยๆไม่ต้องไปกินอย่างอื่นคําถามต่อไปจากบนเขาค่ะการที่เราถูกเอาเปรียบและโกงเงินเป็นประจําสิ่งที่เกิดขึ้นถือว่าเป็นวิบากกรรมหรือเปล่าคะ ก็แล้วแต่เราจะมองถ้าเรามองแล้วมันทําให้เราสบายใจก็ดีคิดว่าเป็นใช้นี่เก่าไปอดีตชาติเราเคยอเอาเอารอดเอาเปรียบเขาเอาประโยชน์จากเขามาชาตินี้เขาก็เลยมาขอทวงคืนก็ถือว่าเป็นการใช้ใช้ใช้นี่ไปถ้าเราไม่เดือดร้อนก็ถือว่าเป็นการทําบุญทําทานไปตายไปเราก็เอาไปไม่ได้อยู่ดีดีสิไม่ต้องเสียเวลาไปวัดเอาเงินไปทําบุญที่วัดมีคนมารับถึงที่บ้านเราเลย จะดวกสบายกว่าเหมือนโฮมเดลิเวอรี่ทมายนี้พิซซ่าต้องการก็โทรเขาก็มาส่งเลยไม่ต้องไปที่ร้านพิซซ่าก็เสียเงินเหมือนกันก็ได้พิซซ่าเหมือนกันเสียเงินไปก็ได้บุญเหมือนกันถ้าเรามองว่าเป็นการทําบุญคําถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามนะคะการที่พระสงฆ์เรียรายเงินผิดหรือเปล่าคะก็ การเรียรายบุญเงินกับการบอกบุญนี่มันอาจจะดูเหมือนกันนะการบอกบุญนี่ไม่ผิดนะเช่นประกาศ ว, าว่าวัดต้องการสร้างโบสถ์สร้างเจดีย์แต่ไม่ได้ทําซองแจกบังคับให้คนใส่เอาเงินใส่ซองเพียงแต่บอกให้ทราบว่ามีการนะทําอะไรที่ใครอยากจะร่วมศรัทธาอยากจะร่วมบุญด้วยอย่างนี้ก็ไม่ผิดว่าเป็นการบอกบุญนะ แต่ถ้าเป็นการเรียรายคือเอาบาทเอาอะไรไปแล้วก็ไปขอให้เขาใส่เหมือนเป็นขอทานอย่างเงี้ยถ้าเรียรายแบบเนี้ยก็ไม่ถูกเพราะตามหลักแล้วพระนี่จะขอได้จากผู้ที่ประวานาตัวหรือผู้ที่เป็นญาติเท่านั้นถ้าเป็นญาติพี่น้องพระเดือดร้อนขาดจีวรบอกได้บอกว่าไม่มีจีวรช่วยหาจีวรให้หน่อยได้ไหม บอกกับญาติหรือบอกกับคนที่เขาเสนอตัวไว้ก่อนว่าถ้าท่านขาดหรืออะไรบอกดิฉันได้บอกกับผมได้อย่างนี้ก็บอกเขาได้ไม่ผิดนะแต่ถ้าเป็นพระที่ท่านเป็นพระจริงๆบางทีท่านไม่บอกท่านก็อยู่ไปตามมีตามเกิดมีก็ทำไม่มีท่านก็ไม่ทำมันอันนี้เป็นระดับพระอริยเจ้าพระอริยเจ้าสยาย่วนใหญ่นี้ท่านจะไม่ไม่บอกบุญกับใครมีแต่ มีแต่สอนสอนธรรมะอย่างเดียวพระพุทธเจ้าไม่เคยบอกบุญเรียลัยให้สร้างวัดที่นู่นที่นี่วัดต่างๆนี้สร้างด้วยศรัทธาของผู้ที่อยากจะสร้างเองพระพุทธเจ้านี้ไม่เคยสร้างวัดแม้แต่วัดเดียวแต่สร้างพระเป็นจำนวนมากพระอาหารหันต์นี้เกิดจากพระพุทธเจ้านี้เป็นจำนวนแสนเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านก็ได้แม้จะทังปัจจุบันนี้พระอาหารหันต์ต่างๆก็เกิดจาก การสอนของพระพุทธเจ้านี่เองพระพุทธเจ้าสร้างแต่พระท้าวลวัตถุนี้ท่านปล่อยให้เป็นไปตามศรัทธาของญาติโยมพระพุทธเจ้าอยู่ได้ทุกรูปแบบอยู่ตามโคนไม้ก็ได้อยู่ตามเรือนร้างก็ได้อยู่ตามเงื่อมผ้าก็ได้อยู่ตามถ้ำก็ได้ท่านจึงไม่มีความจําเป็นที่จะต้องไปบอกบุญกับใครพ่อชอบเดินทางไปทําบุญตักบาตรที่ต่างจังหวัด เปิดเจอข่าวประชาสัมพันธ์ที่ไหนก็จะตามไปส่วนแม่กับมีความเห็นว่าทำบุญแต่พอดีวัดใกล้บ้านก็ได้ฟังทำมาผ่านสื่อออนไลน์จึงจะกราบเรียนถามว่าเราควรจะตามแนวทางแบบพ่อหรือแม่คะหรือว่าตามความพอดีของเราคะก็เหมือนกับกินอาหารน่บางคนก็พอใจกับกินอาหารใกล้บ้านร้านไหนก็กิกนได้กินให้มันอิ่มก็พอบางคนชอบแบบเปิดพิสดานี่เขาก็ต้องไป หร้านต่างๆที่เขาอยากจะไปเปิบเนี่ยเชวชวนชิมแล้อเปลิบพิสดารนี่เขามีร้านทั่วประเทศเนี่ยพวกที่ชอบเปิบเขาก็จะไปตามที่เหล่านั้นแต่ละกินแล้วมันก็อิ่มเหมือนกันนะแต่อาจจะรสชาติความความ อ, ร, อร่อยความมันนอาจจะไม่เหมือนกันเท่านั้นแต่ถ้าผลคือความอิ่มก็เหมือนกันการทําบุญทําที่ไหนมันก็อิ่มเหมือนกัน แต่การทําบุญแบบมีรถมีชาติอาจจะต้องไปทํากับวัดหรือที่เราอยากจะไปที่เรามีศรัทธามีความชอบพอไปแล้วมันเกิดความสุขมากกว่าทํากับวัดที่เราไม่มีศรัทธาก็ได้อันนี้ก็แล้วแต่ผู้ที่กระทาว่าต้องการแบบไหนก็ได้ทั้งสองแบบขอให้ทำก็แล้วกันเอาวัดใกล้บ้านก็ได้ทําไปใส่บาตรไปทําบุญไปก็ได้บุญเหมือนกันหรือจะไปส่อแสวงหา วัดต่างๆที่ใกล้ที่ไกลต่างๆก็ไปดูอาจจะมีของแปลกๆดีๆก็ได้ที่เราอาจจะไม่มีที่วัดใกล้บ้านเราก็ได้กาบนักสการพระอาจารย์ค่ะคือเมื่อก่อนนี้โยมจะไปวัดประจำไปปฏิบัติธรรมตั้งแต่หลวงตายอย่างอยู่แล้วก็ไปวัดทําสหายแต่มาตอนนี้ทำไมรู้สึกว่าอยากปฏิบัติอยู่บ้านไม่ไปวัดเลยอะค่ะ ก็ได้เพราะบ้านอาจจะสบายกว่าได้ผลดีกว่าเพราะไม่ต้องเดินทางหนึ่งไม่เสียเวลาสองไปวัดบางทีคนมันเยอะก็อาจจะไม่ได้ความสงบเท่าที่ควรนั้นถึงแม้ว่าจะเป็นวัดของครูบาอาจารย์ก็ตามแต่ว่าท่านมีชื่อมีเสียงยักโยมก็ไปกันเยอะคมันก็เลยไม่วิเวกเหมือนตอนที่ท่านไม่มีไม่มีใครรู้จักแต่ไปกับท่านก็ดีตรงที่ว่าได้ฟังเทศฟังธรรมจากท่าน แต่สมัยนี้เดี๋ยวนี้เราก็ไม่ต้องไปเราก็ได้ฟังเทศฟังธรรมหนังสือก็มีอ่านซีดีก็มีฟังก็เหมือนกัไปถึงวัดแล้วได้ฟังเทศฟังธรรมจากครูบาอาจารย์ก็เลยไม่จําเป็นจะต้องไปวัดก็ได้ถ้าเราปฏิบัติที่บ้านเรามันสงบกว่าคสะดวกกว่าก็ เ, าเอาที่บ้านเนียไม่สําคัญแล้วเออเมื่อก่อนอยงคีว่าต้องไปวัดวันพระเพื่อไปรักษาสิ่งแปด แต่พออยู่บ้านแล้วก็เหมือนกับว่าเราไม่ได้รักษาศีลแปดอะคะ่ะไม่รักษาไม่รักษาไม่ได้อยู่ที่วัดเลยอยู่ที่บ้านอยู่ที่เรารักษาหรือไม่รักษาเพียง <c oughs> แต่ว่าอยู่ที่บ้านอาจจะยากเพราะคนที่บ้านอาจจะไม่ได้รักษาเหมือนเรา <c oughs> ก็อาจจะมาชวนให้จจจจาารเรากินข้าวเย็นเห็นแล้วไม่กินข้าวเย็นเขาสงสารเป็นห่วงเราเ <c oughs> ขาก็บอกชวนไปกินอย่างนี้แลมันพอมีคนมาชวนมันก็ทําให้ใจเราสานหวั่นไหวได้อาจจะไม่สามารถรักษาศีลแปดได้ เพราะอาจจะเกงใจเขากิเลสมันอาจจะอ้างว่าเกงใจเขาเขามาชวนก็เลยตั้งกินนี่ความจริงกิเลสมันอยากจะกินนะม่ใช่ไแต่ถ้าไปอยู่วัดนี่ไม่มีใครกินข้าวเย็นมันก็เลยไม่มีปัญหาเรื่องการรักษาสิ่งแปดก็ยมที่ว่านึกว่าไปอยู่วัดแต่อยู่บ้านก็ไม่กินข้าวเย็นแต่คิดว่าไปอยู่วัดแล้วได้อุโบสถศีลคิดอย่างเนี้ยค่ะคาว่าอุโบสถก็คือญาติโยมเขาไม่มีที่นอนในวัดเนี่ยเพราะที่วัดมีแต่ที่กุฏิของพระ เขาก็เราไปนอนกันในอุโบสถเท่านั้นเองไปถือศีลในอุโบสถในโบสถ์เขานี่ไงมั้ยอ่าค่ะก็ถ้าไปถือศีลอุโบสถก็ไปอยู่ที่โบสถ์เนี่ยแต่มันมันไม่ได้อยู่ที่สถานที่ศีลมันอยู่ที่กายวาจาใจเราเอเราอยู่บ้านเราก็รักษาศีลแปดได้ถ้าเรารักษาได้ก็รักษาไปไม่ต้องไปที่โบสถ์เหมือนกันได้อันที่สองเหมือนกันสาธุค่ะพระอาจารย์คะแล้วเมื่อก่อนโยมเนี่ยจะต้องตื่นตีห้ามาทำข้าวไปใส่บาตรเดี๋ยวนี้เหมือนกับว่าตื่นมาแล้ว ไม่อยากไปมีแต่ส่งปัจจัยไปแล้วก็อยู่บ้านภาวนาเอาได้อย่างเงี้ฉลาดเนี่ยแสดงว่าเราเราเข้าถึงบุญที่สูงกว่าบุญที่ต่างกว่าเราก็ไม่ต้องไปวุ่นวายกับมันทําไปแต่ให้ทำไปเพื่อให้มันมาไม่มาขัดขวางกับบุญที่สูงกว่าบุญที่สูงกว่าก็คือการภาวนาถ้างดการทําบุญชั่วคราวก็ได้ถ้าเราจะเอาภาวนาอย่างเดียวบางทีเราไปปฏิบัติทําเข้มข้นที่เราไม่ต้องทําบุญเลยตอนนั้นเอาแต่ภาวนาฆ่ากิเลสอย่างเดียว พอสาธุค่ะแต่เดี๋ยวนี้สะดวกอยากจะทําบุญตรนไหนก็กดมือถือได้่โอนเข้าบัญชีได้เลยนแล้วโยมตั้งใจมาจะถามว่าโยมผิดปกติหรือเปล่าไม่ผิดหอะ <c oughs> เพราะว่าเรากําลังก้าวสูงทําขั้นสูงขึ้นจิตเราสงบมากขึ้นรเราต้องการภาวนามากกว่าการทําบุญทําทานแตเราก็ยังเสียดายกลัวว่าแต่ไม่ทําบุญทําทานเราจะผิดไม่ผิดอะก็พระที่มาบวชก็ไม่ได้ทําบุญทําทาน ก, นกันแล้ว เขาทําหมดแล้วเขามีเงินทองเท่าไหร่เขาก็ยกให้คนอื่นไปหมดแล้วเขาก็ไปทําบุญเขาก็ไปภาวนาต่อขอค่ะเสร็ <g ül> จแล้ววันนี้ก็ได้เข้าใจนะคะ่ะอ่าดีนะเอาหนังสือนงตาไปอ่านเนี่ยมีหนังสืออยู่อสุภะเนี่ยถ้าภาวนาต้องดูอสุภะหรือสินแปดนี่ถ้าดูอสุภะแล้วมันจะรักษาสินแปดได้ง่ายไกลดูไหม ดูก็อายะปะดูสุภาพบ้างดูความไม่สวยงามของร่างกายของแฟนนี้ของคู่ครองของเราเนี่ยมันจะได้เบื่อหน่ายอ่หยิบไปได้นะนั่สบายคำถามต่อไปคำถามจากคุณปัทมาเรื่องการทำบุญให้คุณพ่อคุณแม่ญาติพี่น้องที่ล่วงลับไปแล้วให้ท่านได้รับบุญมากที่สุดด้วยวิธีใด ดีที่สุดคะจําเป็นต้องนิมนต์พระมาสวดที่บ้านใหม่เจ้าคะไม่ต้องหรอกทําบุญใส่บาดไปถวายสังฆทานไปหรือบอริจาคเงินทองให้กับสถาบันต่างๆก็ได้ได้บุญเหมือนกันอุทิศได้เหมือนกันทําบุญกับโรงพยาบาลก็ได้โรงเรียนก็ได้แล้วก็อุทิศบุญที่เราความสุขใจที่เราได้แล้จากการทําบุญนี้ให้กับผู้ร้องรับไปทําได้แค่นี้สําหรับผู้ที่ร้องรับไปทำอย่างอยู่ให้เขาไม่ได้ คำถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามวันนี้ไปทำบุญที่วัดฟังเทศนาธรรมคนข้างๆพูดคุยกันตลอดเวลารู้สึกลำคาญและงุนกิดมากเจ้าค่ะจะต้องปรับจิตใจยังไงถึงจะพยายามไม่สนใจเสียงพูดคุยและหันมาตั้งใจฟังเทศคะก็คิดว่าเรานั่งอยู่ในรถเมล์แล้วกันข้อที่สองเวลาทำบุญถวายทานต่างๆหรือเวลาสวดมนต์เสร็จเรียบร้อย จะอธิษฐานว่าขอให้มีดวงตาที่เห็นธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปขอให้ก้าวข้ามวัฏจักรสงสารเข้าสู่พระนิพพานในชาติปัจจุบันเป็นการตั้งอธิษฐานมากเกินไปหรือเปล่าเจ้าคะคือการตั้งอธิษฐานเนี่ยมันตั้งได้แต่มันจะได้หรือเปล่ามันอีกเรื่องหนึ่งมันอยู่ที่การกระทําของเราเท่านั้นที่จะทําให้เราได้สิ่งที่เราต้องการเช่นเราอยากจะกินข้าวให้อิ่มเราไปนั่งขอให้อิ่มมันนั่งขอจนวันตายมันก็ไม่มีวันอิ่ม แต่ถ้าเรากินเข้าไปกินเข้าไปเดี๋ยวมันก็อิ่มเ อ, ง, องนั้นเราต้องทําเหตุอย่าไปขอขอไม่ได้ถ้ามีเหตุแล้วขอไม่ขอมันก็ได้ถ้าอยากจะให้อิ่มเนี่ยกินเข้าวปะกินเข้าวไปเรื่อยๆไม่ต้องขออธิษฐานขอให้อิ่มหรอกกินไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็อิ่มเองให้อยู่ที่การกระทรําอยากจะไปนิพพานก็ภาวนาไปเรื่อยๆจเจริญสติสมาธิปัญญาไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็ถึงนิพพานเองไม่ต้องมานั่งขอให้เสียเวลา ขอไปจะมันตายก็ไม่ได้ถ้าไม่กระทาคำถามจากคุณจิตถ้าเราต้องตัดกิเลสจำเป็นต้องมีฌานก่อนไหมคะถ้าไม่มีมันไม่มีกำลังถ้าไม่มีสมาธิไม่มีปไม่มีอัปปนาสมาธิมันจะไม่มีกำลังตอนนี้เราไม่มีสมาธิกันเรารู้ว่ากิเลสไม่ดีแต่พอมันโผล่ขึ้นมาเราสู้มันไม่ได้พอมันโลภอยากได้กระเป๋าอยากได้รองเท้าก็สู้มันไม่ได้แารที่เอาเงิน ทองที่ไปซื้อกระเป๋าไปซื้อรองเท้าไปทําบุญก็ทําไม่ได้เพราะเรายังสู้กิเลสไม่ได้แต่ถ้าเรามีความสงบแล้วรับรองได้ว่าพอกิเลสมาจะซื้อกระเป๋าก็เอาไปทําบุญเลยเหยียบขี้หน้าเหยียบหน้ามันเลยให้มันรู้แล้วรู้รอดไปว่าใครจะเก่งกว่ากันคําถามจากคุณนุย้ย มีอาชีพขายหมูปิ้งจะบาปไหมคะถ้าเราไม่ได้ไปฆ่าหมูมาปิ้งไม่ไมบาปถ้าไปซื้อหมูที่ตายแล้วมาปิ้งไม่เป็นไรแต่อย่าไปสั่งเขาว่าพรุ่งนี้จะเอาหมูกี่กิโลนะเพราะไปสั่งก็เหมือนกับไปสั่งให้เขาฆ่าให้เราใหยเราไปซื้อตามมีตามเกิดถ้ามีหมูขายแล้วก็ซื้อมาปิ้งถ้าไม่มีหมูขายวันนี้เราก็เขียนป้ายว่าวันนี้งดขายหนวันไม่มีหมูคําถามจากคุณชูตินัน เรื่องการตายของแต่ละคนทําไมบางคนผิดศีลข้อสาเหมือนกันอีกคนหัวใจวายกระทันหันตายโดยไม่มีการสั่งเสียแต่อีกคนก็เจ็บป่วยชีวิตไม่มีความสุขคนที่ตายง่ายมีบุญมากกว่าหรือเจ้าหรือเปล่าคะไม่หรอกความตายนี้มันแล้วแต่เหตุการณ์อที่มันทําให้เกิดความตายขึ้นมาอแต่ที่มันเหมือนกันก็คือสิ่งที่ทําให้เรามาตายกันก็คือก็คือการเกิด ถ้าเราไม่มาเกิดเราก็จะไม่มีการตายกันส่วนการตายจะตายช้าตายเร็วตายยากตายง่ายนี้มันก็อาจจะมีหลายเหตุหลายปัจจัยบุญกรรมอาจจะมีส่วนเหตุการณ์ต่างๆที่สุดวิสัยมันก็มีส่วนเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปกังวลกับวิธีตายแต่ให้รู้ว่าเกิดมาแล้วต้องตายเหมือนกันหมดทุกคนถ้าไม่อยากจะตายก็อย่ามาเกิดถ้าไม่อยากจะเกิดต้องฆ่ากิเลสให้หมด ถ้ากิเลสตันหาที่มีอยู่ในใจของเราให้หมดแล้วเราก็จะไม่กลับมาเกิดแล้วไม่เกิดแล้วเราก็จะไม่ตายจะตายช้าตายเร็วตายยากตายง่ายก็ไม่มีอีกต่อไปคำถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามเนื่องจากตัวเองป่วยเป็นโรคเสียงดังในหูซึ่งมีเสียงคล้ายๆจรจิ้งหรีดร้องตลอดเวลาทำให้บางครั้งจิตตกนั่งสมาธิไม่ได้อยากรบกวนถามคาถามดังนี้ค่ะข้อที่หนึ่ง ควรแก้ไขอย่างไรดีคะเวลานั่งสมาธิรู้สึกจิตตัวเองบางครั้งจะไปจับหรือกังวลกับเสียงที่ได้ยินคะ่ะซึ่งดังตลอดเวลาคะ่ะก็อย่าไปสนใจให้อยู่กับพุโทโธพุธโทโธไปแล้ดูลมหายใจไปเหมือนกับเสียงจิ้งหรีดเวลาเรานั่งสมาธิในป่าก็มีเสียงจิ้งหรีดร้องเราก็ไม่ต้องไปสนใจมันเราก็อยู่กับมันไปปัญหาคือถ้าเราไปอยากให้มันหายมันจะทาให้เราภาวนาไม่ได้ มันจะทําให้เราทุกข์ทรมานใจความทุกข์ทรมานใจเกิดจากความอยากให้สิ่งนั้นสิ่งนี้หายไปหรืออยากให้สิ่งนั้นสิ่งนี้มาปรากฏงั้นเราต้องหยุดความอยากให้เสียงที่มันมีอยู่ในหูเราหายไปปล่อยให้มันเป็นให้ Geez. ปล่อยให้มันอยู่ไปตามธรรมชาติของมันคิดเสียว่าเหมือนกับเป็นเสียงข้างนอกเสียงจริงหลีดเสียงนกร้องเสียงอะไรอย่างตอนนี้ถ้าเรานั่งเฉยๆแล้วก็จะได้ยินเสียงอะไรต่างๆเป็นเสียงสัตว์ร้องเห็นไหมนะเสียงแมลงหรือเสียงอะไร ถ้าเราไม่ไปสนใจกับมันมันก็ไม่มีปัญหาเลยถ้าเราอยากจะให้มันหายนี่เราจะวุ่นขึ้นมางั้นอย่าไปสนใจมันปล่อยให้มันเป็นไปตามเรื่องของมันขอให้เรามีสติอยู่กับพุทโธอยู่กับลมหายใจของเราไปแล้วใจเราจะสงบแล้วเสียงนั้นต่อไปก็จะหายไปข้อที่สองการที่มีเสียงดังในหูมีโอกาสที่จะจิตจะรวมกันได้ไหมคะได้ถ้ามีสติ ถ้ามีสติมันไม่สนใจกับเสียงเดียวมันก็รวมได้คำถามจากคุณชยาภาหลวงพ่อคะกรรมอะไรคะทำไมถึงทำอาชีพอะไรก็ไม่ประสบความสำเร็จเลยคะ่ะก็ไม่ได้ทำทานมาในในอดีตชาติก็เลยทุกยากลำบากไม่มีบุญที่จะมาสนับสนุนการทำงานต่างๆให้เกิดผลขึ้นมานัน ชาติก่อนเราย้อนกลับไปทําบุญไม่ได้ก็คอยเราทําบุญชาตินี้เพราะชาติหน้าเรายังต้องมาเกิดอีกต่อไปเราจะได้ทํางานได้ผลสําเร็จได้ง่ายอย่างรวดเร็วฉะนัออ้นขอให้พยายามทําบุญในชาตินี้ให้มากๆทําเท่าที่เราจะมีกําลังที่จะทําทได้แล้วก็ให้ยินดีกับผลผลบุญของเราได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นขอให้คิดว่าถ้าเราค้าขายไม่ดีก็ให้มองว่าอย่างน้อยเราไม่อดตายก็ยังดี ใครคิดอย่างนี้แล้วเราก็จะไม่ทุกข์กับการค้าขายที่ไม่อาจจะไม่ขายดิบขายดีเหมือนคนอื่นเขาแต่เราก็ยังมีความสุขได้ถ้ารู้จักความมักน้อยสันโดษมักน้อยก็คือเนี่ยขอให้ได้เท่าที่เราได้เท่าที่จําเป็นที่เราต้องมีก็พอพอเลี้ยงปากเลี้ยงท้องได้ก็พอใจแล้วหรือสันโดษก็ยินดีตามมีตามเกิดได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นถือว่ามันเป็นผลของบุญผลของความสามารถของเราที่เราทําได้เท่านี้ ถ้าเรามีนงน้อยมีสันโดษเราก็จะไม่ทุกข์ทรมานใจกับสภาพที่เราเป็นอยู่คำถามจากคุณไขหวานขอความหมายของทุดงขวัตครับทุดงขวัตก็เป็นข้อปฏิบัติพิเศษจะเรียกว่าศีลพิเศษก็ได้ถ้าเป็นน้ำมันก็เป็นน้ำมันพิเศษคือ9 5มีกำลังผลักดันเครื่องยนต์ได้ดีกว่า91 91มันไม่แรงเหมือนกับ95รถแข่งนี้ก็ต้องใช้95กันเหมือนจะได้มีพลังมากวิ่งได้เร็วขึ้นแต่มันแพงธุดงก็เหมือนกันเป็นศีลพิเศษมันแพงเพราะมันยากนให้ฉันมือเดียวฉันในบาทบิณฑบาตเป็นวัดให้บิณฑบาตถ้าอยากจะกินก็บิณฑบาตไม่ให้ไปรับกิจนิมนต์ไปกินตามบ้านเขาหรือไม่ให้ญาติโยมนำกับข้าวกับปาอาหารมาสมที่วัด อยากจะกินก็ต้องออกไปหากินเองด้วยการบินทบาตมันก็ยากแต่มันทำให้ใจมีกำลังมีพลังมีความเพียรมีความอดทนนี่คือประโยชน์ที่จะทำให้บรรลุธรรมได้ง่ายขึ้นถึงนิพพานได้เร็วขึ้นพูดง่ายๆถ้าใช้น้ามัน95กับรถแข่งที่ใช้น้ำมัน91นี่พวก95นี้ก็ถึงหลักใช้ก่อน พวกที่เก้าสิบเอดนี้บางทีไปไม่ถึงบางทีอาจจะตายกลางทางก็ได้นี่คือความแตกต่างทุดงควัตก็คือศีลพิเศษมีอยู่สิบสามข้อก็มีข้อหนึ่งก็คือบินตบาดเป็นวัดสองอา่ายังไงสองก็ฉันในบาดเป็นวัดสามฉันมือเดียวสี่ไม่รับอาหารหลังจากกลับมาจากบินตบาดแล้วการอาหารตามมาก็ไม่รับ แล้วก็ข้ออื่นก็มีเกี่ยวกับการใช้ผ้าใช้ผ้าบังสกุลก็คือใช้ผ้าห่อศพไม่เอาผ้าใหม่เอาผ้าเก่ามาเก็บผ้าขี้ริ้วผ้าอะไรที่เขาทิ้งตามป่าช้านี่เอามาสะสมมาตัดมาเย็บเป็นผ้าจีวรเรียกว่าผ้าบังสกุลใช้บ้าบังสกุลเป็นวัดเพราะจะได้ทําให้ตนเองคิดถึงความตายอยู่เรื่อยว่าตนเองร่างกายนี้ก็เป็นศพดีๆนี่เอง ผ้าห่อศพมันก็เหมาะสมกับร่างกายของเราอยู่แล้วเห็นไหมจะไปรังเกียจมันทําไมแล้วหาง่ายไม่ต้องเสียไม่ต้องลาบากถ้าต้องร อ, อผ้าใหม่ๆถ้าไม่มีใครเข้าถวายก็จะเสียใจอีกเป็นกิเลส ข, ขึ้นม า, าถือผ้าบางสกุลถือผ้าหนึ่งสำหรับผ้าตายเดียวไม่เอามากกว่านั้นมีเกี่ยวกับเรื่องผ้าเดี๋ยที่อยู่อาศัยก็อยู่ตามป่า อยู่ตามที่เขาจัดให้อยู่ถ้าไปวัดวัดเขาจัดที่ให้อยู่ตรงไหนกุฏิไหนก็อยู่ไปตามที่เขาให้อยู่ตามป่าแล้วก็มีข้อนึงก็ข้อที่ทําความเพียรที่เรียกว่าเนสัชชิกจะไม่หลับไม่นอนในท่านอนจะถ้าจะหลับจะนอนก็ให้มันหลับในท่านั่งหรือท่ายืนหรือท่าเดินเพื่อจะได้ไม่นอนมากนอนนอนเท่าที่ต้องการร่างกายต้องการ ถ้ามันนั่งหนับนี่มันนั่งไม่ได้นานเดี๋ยวมันก็ตื่นตื่นจะได้มาทำความเพียรต่อนี่ก็ไม่ครบทั้งสนะิบสามเนแต่จำได้เท่านี้แหละถ้าอยากจะรู้ก็ถาม Google ดูก็แล้วกันเขียนทุดงสิบสามให้ก็จะได้ก็จะปรากฏขึ้นมาคำถามจากคุณอาร์ตการตั้งกองกรรมฐานทำเพื่ออะไรครับแล้วเราต้องขึ้นหรือตั้งกองก กองกรรมฐานทุกครั้งเวลานั่งสมาธิไหมครับไม่หรอกไม่ต้ไปตั้งกรรมฐานก็คืออารมณ์ที่เราใช้ในการสร้างสติพุทโธนี่ก็เป็นกรรมฐานหนึ่งนะถ้าเราบริการพุทโธพุทโธเราก็มีกรรมฐานแล้วไม่ต้องไปตั้งกับใครหรอกตั้งกับที่ตัวเรานั่นแหละไม่ต้องทําพิธีตั้งถ้าเราอยากจะมีสติก็ให้พุทโธพุทโธไปหรือดูร่างกายเราเฝ้าดูร่างกายเราทุกิริยาบทของการเคลื่อนไหวก็กรรมฐานแล้ว เรียกวากายะคตาสติถ้าดูร่างกายถ้าบริกรรมพุทโธก็พุทธานุสติถ้าดูลมหายใจเข้าออกก็อนาปะนะสตินี่คือกรรมฐานต่างๆที่เราใช้ในการสร้างสติขึ้นมาไม่ต้องทำพิธีตั้งเอามาใช้ได้เลยเอามาปฏิบัติได้เลยคำถามจากคุณพีรยาถ้าเราทำบุญให้เงินกับคนจรนจัดกับผู้ยากไร้ แล้วเราอธิษฐานว่าขอให้อนิสง์ในครั้งนี้ส่งผลให้ข้าพเจ้ามีกินมีใช้ไม่อดไม่อยากถือว่าเป็นการทําบุญหวังผลหรือเปล่าคะก็หวังผลจะได้ไม่ได้ก็อีกเรื่องนึงคือผลที่จะได้บุญที่เราทํำนี่มันจะเป็นผลในอนาคตมากกว่าผลในปัจจุบันก็คือความอิ่มใจสุขใจแต่ไม่ได้หมายความว่าเราจะมีกินมีใช้เพราะถ้าเราเอาของที่เรามีกินมีใช้ไปให้คนอื่นเราก็ต้องอดแต่เราอด บดทางร่างกายแต่ใจเรากับอิ่มมีความสุขมากกว่าบางคนยินดีเสียสละข้าวอาหารให้คนอื่นกินเพราะว่าเขาไม่หิวเพราะเขาว่าเขาอิ่มใจเขาสุขใจเขาต้องการความสุขใจอิ่มใจดีกว่ากินอาหารทางร่างกายแล้วไม่ได้ทำบุญใจก็ยังหิวอยู่ยน้นการทำบุญนี่ทำให้เรามีความอิ่มใจสุขใจไม่ได้ทาให้เรามีความมีอาหารการกินดี ไปตลอดแต่ถ้าในภพหน้าชาหน้านี้อาจจะดีได้เพราะว่ามันเป็นผลที่จะเกิดขึ้นในภพต่อไปบุญที่เราทำนี้มันก็จะมาสนับสนุนเราแต่ในชาตินี้เราก็ต้องอาศัย อ, อัตตาหิอัตโนนาถัก็ต้องหากินต่อไปไม่ใช่ทำบุญแล้วก็นั่งเฉยๆแล้วรอให้เงินทองไหลมาเทมามันก็ไม่ไหลมาเทมาทันทีต้องรอชาติหน้ามันถึงจะมา ชั้นนี้ก็ยังต้องหากินต่อไปไม่ใช่ทาบุญเสร็จแล้วก็ตออไปนี้ฉันไม่ต้องทำงานแล้วเดี๋ยวฉันก็มีกินแล้วเดี๋ยวก็อดตายคำถามจากคุณนิดได้ยินมาว่าการทําบุญโดยให้เงินพระเป็นสิ่งที่ไม่สมควรทำอยากทราบว่ามีการพิจารณากันอย่างไรคะบางทีเวลาทําบุญกับพระอาจารย์เกิดข้อสงสัยคะ่ะคือเงินทองนี้ ต, ตอนเริ่มต้นนี้พระพุทธเจ้าก็ไม่ต้องการให้พระมีเงินทองไว้ใช้แต่ต่อมามีพระมาบวชที่เขามีความจําเป็นที่จะต้องซื้อยาซื้ออะไรบางอย่างที่ไม่สามารถได้จากการบินทบาทพระเจ้าอะไรอนุญาตให้พระรับเงินทองได้แต่ไม่ให้รับกับมือไม่ให้เก็บไว้เองไม่ให้อาไปใช้เองให้อบฝากไว้กับลูกศิษย์คนที่เชื่อถือได้และเวลาขาน ขาดหรืออะไรในเรื่องของปัจจัยสี่เรื่องของที่สมควรแก่พระที่จะใช้ก็บอกให้เขาไปจัดหามาอย่างนี้รับได้แบบนี้แต่ไม่ให้รับแบบรับกับมือใส่ยา่ามแล้วถึงเวลาก็ไปแถวพันทิพย์ไปแถวไปแถวร้านขายรถสั่งรถเบนซ์มาอะไรงนี้อย่างนี้ไม่ไม่ไม่ได้ไม่ให้ใช้เงินแบบนี้ให้ใช้เงินแบบมีกิจจลักษณะรับแบบมีกิจจลักษณะ แล้วก็ให้ญาตโยมให้ฝากไว้กับคนที่ไว้ใจได้แล้วเวลาขาดแคลนมีความจําเป็นจะต้องใช้หรืออาจจะไปใช้ให้ประโยชน์กับวัดแทนก็ได้ถ้าตัวเองไม่มีไม่ต้องใช้ก็ถ้ามีความจําเป็นจะต้องบุญนะซ่อมแซมกุติสร้างกุติก็ใช้เงินที่รับมานี้ได้เ <één Mechan ic> พราะสมัยนี้มันก็ต้องใช้เงินทองไม่ใช่จะไปบอกบุญผู้ บ, บริษัทรับเหมา ustedes. ว่าโยมช่วยสร้างกุติให้สักหลังนี่เขาก็ไปมาสร้างให้หรอกใช่ไหม มันก็ต้องมีบุญมันต้องมีเงินไปใช้เขาเงินทองมันก็เลยต้องมาเกี่ยวข้องกับศาสนาบ้างแต่ต้องรู้จักวิธีปฏิบัติกบมันให้ถูกต้องเพื่อจะได้ไม่เป็นโทษกับพระนั่นเองถ้าพะไปยึดครองไปเก็บไว้เองไปถือว่าเป็นของที่ซื้อได้ใช้ได้ทุกอย่างเดี๋ยวก็ไปซื้อของที่เป็นพิษเป็นภัยต่อจิตใจเอาไปเที่ยวกั น, เ อ, อกนเอาไปซื้อของกินของเือมอะไรกัน ถ้าอย่างนี้ก็ไม่ไม่ควรจะมีเงินทองใช้แบบนี้แตถ้ามีใช้สําหรับจําเป็นปัจจัยสี่เนี่ยจีวรไม่มีอาหารขาดแคลนอะไรอย่างนี้ก็เอาเงินทองเหล่านี้ไปซื้อมาได้เอาละนะก็คิดว่ า, อ, าอ้าวอีข้อมั้ยีข้อไอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวต้องพูดผ่านมัยถ้าจะพูดก่อนจะได้ยินเสียงคําถามคือของนุ ญ, ญาถามว่าสมัยก่อนโยมจะต้องนั่ง สมาธิวันหนึ่งสะสมไม่ได้หกชั่วโมงแปดชั่วโมงแล้วต้องเข้าไปอยู่ในกุฏิแบบลึกๆแล้วก็เงียบๆแต่พอมาทุกวันนี้รู้สึกว่านั่งได้ไม่นานก็จิตอิ่มไม่อยากนั่งแล้วแล้วก็จะไปข้างนอกแล้วก็ไปเจอสิ่งที่กระทบแล้วถามตัวเองว่าเราหวั่นไหวไหมเจอสิ่งที่ไม่ชอบเราโกรธไหมดวงก็เลยคิดว่าทาไมตา น, นิยม ภาวนาน้อยลงอะค่ะอาจารย์คือถ้าจิตเราเป็นอุเบกขาแล้วไม่ต้องภาวนาก็ได้ถ้าเราเห็นอะไรแล้วจิตเราเฉยได้ปล่อยวางได้ไม่วุ่นวายไม่หิวไม่ไม่อยากกับอะไรก็ไม่ต้องภาวนาก็ได้แต่ถ้าถ้ามันยังถูกอะไรกระทบอยู่เราก็ต้องใช้ปัญญาละถ้าเรานั่งสมาธิเรามีอุเบกขาแล้วขั้นต่อไปเราก็ต้องใช้ปัญญาสอนใจเวลามาอะไรมากระทบแล้วใจเราวุ่นวายเราก็ต้องใช้ปัญญาดับมัน ก็ไม่ต้องไปภาวนาก็ได้ค่ะก็เลยรู้สึกว่ามันจะถามว่าไอ้ตัวเองผิดปกติป่ก็ไม่แน่มันอาจจะผิดก็ได้อาจจะไม่ผิดก็ได้ถ้าถ้าเราคิดว่าเรามีความสงบพอเราไม่ต้องอาศัยความสงบเราอยู่ได้อย่างมีความสุขปกติไม่วุ่นวายเราก็ไม่ต้องเข้าไปสมาธิก็ได้แต่ถ้าเราวุ่นวายเราก็ควรที่จะกลับเข้าไปสมาธิบ้างค่ะก็เข้าสมาธิแต่ว่าเข้าไม่ได้นานเหมือนเมื่อก่อนออ ก็ไม่เป็นไรออกมาก็เรารักษาใจด้วยปัญญาได้หรือเปล่าอก็ก็พยายามออกไปเจอไปไปเจอแล้วก็รู้ว่าเราเนี่ยฟังแล้วสิ่งที่ไม่ชอบรู้สึกเอทนได้ไหมก็ต้องพยายามสอนใจให้เราอย่าไปไม่ชอบคือให้เรามองให้เห็นว่าอยู่ที่มุมมองของเราเราไปมองสิ่งใดสิ่งหนึ่งถ้ามองถูกมุมมันจะเฉยๆกับทั้งชอบหรือไม่ชอบ แต่ถ้าเราเห็นว่ามันเป็นดินน้ํำลมไฟไปนี่มันจะไม่มีความชอบหรือไม่ชอบขึ้นมาแสดงว่าเรายังไม่มีปัญญาเราต้องหมั่นพิจารณาปัญญาดูร่างกายต่างๆกอนว่ามันเป็นเพียงแค่ดินน้ําลมไฟเท่านั้นเองมันไม่ได้เป็นหญิงเป็นชายเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องแต่ตอนนี้รู้สึกว่าตัวเองอยากอยู่เงียบๆแล้วก็อยู่สันโดษอยู่กับตัวเองอะค่ะอก็ดีแต่ บางทีมันบางทีมันอ ย, อยู่ได้ก็ดีแต่ในโลกของความเป็นจริงมันก็บางทีก็ต้องสัมผัสรับรู้กับเรื่องอื่นก็ต้องอย่าหนี้มันถ้าหนี้ก็เป็นกิเลส <Okay. S 2> ถ้ายัางต้องเจอก็ต้องเจ อ, เจอเจอด้วยปัญญาเจอด้วยสมาธิก็จะไม่วุ่นวาย <Okay. S 2> มองว่าทุกอย่างเป็นตายรักหันมองมองตายรักเป็นไหมอันนี้จังทุกขังอนัตตาออันนี้จังทุกอย่างไม่เที่ยงอนัตตาเราไปควบคุมบังคับให้มันเที่ยงไม่ได้ ถ้าเราไปอยากมันก็จะทุกข์ถ้าไม่อยากให้มันเที่ยงเราก็จะไม่ทุกข์เข้าใจค่ะ ม, มีคำถามรัตการเจ้าคะ่ะเอ่อวันเมื่อมาภาวนาอยู่ตั้งแต่วันที่แปดแล้วก็ได้หนังสือกายาอากาก<ส>ตาสติรับไปเจ้าคะ่ะแล้วก็ ไปเปิดดูทีนี้เนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยโยมมีอยู่ที่บ้านเล่มหนึ่งเหมือนกันแต่โยมไม่เคยเปิดดูเปิดแล้วก็เหมือนจะกลัวแล้วก็ปิดใช่ไหมเจ้าค่ะพอครั้งนี้เนี่ยโยมก็บระพนานโยมก็เปิดดูปรากฏว่าจิตเนี่ยมันมันไม่ได้กลัวเหมือนเหมือนกับว่ามันมันกล้าที่จะดูขึ้นพอมันกล้าที่จะดูขึ้นแล้วก็จิตมันก็พิจารณาเห็นว่านี่ไงจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นของมันอย่างนั้นจริงๆที่เราที่เราหลงกันอยู่เนี่ยจิตมันก็จะบอกว่าจิตที่เราหลงกันอยู่อเพราะหนัง หนังที่ห่อหุ้มถ้าลองนางงานจิตฝังหนึ่งเป็นน้ำกรดฝั่งหนึ่งเป็นสวยงามเราก็ยังไม่เข้าใกล้เลยอ mm hmm. ตัวเราก็เหมือนกัน mm hmm. ยอมก็ไปดูในกระจกไอ้ไอ้ที่ยมยมทาแป้งทาตุ้มหูต่างต่างเพราะหนังทั้งสิ้นยมก็เลยก็คือแล้วพอเปิดหน้าต่อไปแต่พอหลังๆเนี่ยเจ้าค่ะมันจะเห็นภาพที่เหมือนรถชนมีขาดสองท่อนมีอะไรอันนั้นเนี่ย mm hmm. จิตมันยังไม่กล้ไปดูมากมันเหมือน คุณพองสยองเกล้ามากกว่าที่จะนํามาพิจารณาในในจิตตอนที่เรียนพระอาจารย์ตอนแรกใช่ไหมคือกําลังสมาธิยังไม่มากพอถ้ามันสงบมากเท่าไหร่มันจะดูทุกอย่างได้อย่างเฉยเฉยได้แต่ตอนนี้แสดงว่ายังไม่เป็นอุเบกขาร้อยเปตยังเป็นอุเบกขาเฉพาะบางภาพบางอย่างแต่บางอย่า ง, งมันยังรับไปได้กิเลสยังมีกําลังอยู่ ก็ต้องพยายามทำสมาธิให้มากขึ้นสลับกับการมาดูสลับกันทำสองอย่างได้นั่งสมาธิเสร็จออกมาก็มาพิจารณาอสุภะดูค่อยขยับเข้าไปหาของที่มันยากขึ้นยากขึ้นไปเรื่อยๆต่อไปมันก็จะทำได้เอาเดียก็คือต้องพิจารมันทุกวันรู้มันทุกวันตลอดเวลานอกจากเวลาที่เราเข้าสมาธิเท่านั้นอพอออกจากสมาธิก็โดยอสุภะมันเลย เรด้วยก็ดูภาพก่อนต่อไปก็ไม่ต้องดูนึกมันในใจจะได้ดูได้ทุกแห่งทุกคนทุกเวลายกเว้นเวลานะเข้าสมาธิเราต้องเข้าเพราะสมาธิจะเป็นตัวที่สนับสนุนให้เรามีกําลังดูสิ่งเหล่านี้และรับรับรู้สิ่งเหล่านี้ได้แล้วจะไม่วุ่นวายไม่ทุกข์ไปกับมันเอาแล้วนะก็พอสมควรกับเวลา